มีข่าวพิเศษแจ้งให้ทราบใครสนใจนะวันที่สามธันวาพระครูจะไปที่จุฬานะจะไปที่จุฬาฮะจะไปที่จุฬาที่คณะนิเทศศาสตร์นะเดี๋ยวพระครูคงแจ้งทราบวิธีนะจะไปปริยาร่วมกงใช่ไหมเห็นว่าจะไปร่วมกับอาจารย์ปัญญพันธ์ใช่ไหมไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพระครูคงแจ้งทราบวิทีนะวันที่สนะกนะี่โมงนะ บายโมงถึง4ี่โมงเย็นหนึ่งชั่วโมงที่นิเทศาสตรนะที่จุฬานใครสนใจนะไปร่วมได้ไปฟัง <c oughs> อ้าวได้ข้อมูลเพิ่มแล้วประกาศอีกครั้งนะใครสนใจนะจะไปร่วมฟังรายการในวันพุทธที่สามธันวานเนียครบรอบ60ปีทีวีไทย พ่อครูก็ทำงานที่เนียขายงานอันนี้เก็เริ่มนฮะเล็กก็ต้องมาด้วยดนั่งเก้าอี้นะพไม่อ่านไม่รู้คือพ่อครูจะไปร่วม60ปีทีวีไทยเราแน่ที Apple, ่นี่แหละจัดที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะสำหรับบุญนิยมเขาจะไปบันทึกเทปด้วย ใครสนใจนะไปไ้ายานะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสิบหกสี่สี่โมงเย็นนะถ้าพวกเราจะไปก็เยอะๆนะทางเนี่ยทางฝ่ายทางฝ่ายรถก็จะจัดรถให้นะจะจัดรถให้นะตอนนี้ใครสนใจจะไปนะก็มาแจ้งที่ประชาสัมพันธ์บ้างเนาะอย่างที่เราจะได้รู้จํานวนเราจะได้จัดรถไปเพราะว่า เมื่อจัดเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสี่มงเย็นนี่ก็ต้องไปบ่ายก่อนหน้านี้วันที่สามมิจฉวันอะไรวันที่หนึ่งวันจันทร์ที่สองวันอังคารที่สามมันพุทธโอ้รถเยอะอีกเนาะบ่ายโมงนี่ไปทางด่วนขึ้นทางด่วนแล้วไปลงไปลงลงยมราชใกล้เหรอทพระรามสี่ไม่ใกล้กว่าหรอือาทางพระรามสี่ใกล้กว่าบ้างเดี๋ยวทางคนโชเฟอร์เขรู้เนาะ มันงานลุดติดแน่ใช่ ถ, ถ้าลองวิ่งตามธรรมดาปุเรงปุเรงไปเนี่ยใครสนใจนะไปร่วมกันนะเป็นครบรอบ6กปีของทีวีไทยนะเพราะพ่อครูเคยทำงานที่นั่นก็หนึ่งนะก็เคาคงนิมนต์พ่อครูไปร่วมเลยน ะ, ะพวกเราไปมีโอกาสได้ไปสัมผัสจุฬาลงกรณ์ะ ไ, ไปที่นี่บไปที่คณะนิเทศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้จักไหมรู้จักไหม รู้จักมหาวิทยาลัยจุฬาไหมก็ไปหาเองอาตมาก็ไม่ได้นศึกษ า, าอาตมาเด็กช่างกลเลยไม่รู้ <c oughs> ถ้ารู้ไหมคณะนิเทศศาสตร์อยู่ด้านไหนเนี่ยเขาสงสัยเออไปถามเอาดีสุดเลยทิศทางที่รู้ดีคือไปถามเอาไปถามเอารู้ดีเลยคุณจะไปเชียงใหม่เนี่ยอยากรู้ถามชาวบ้านถามไปเรื่อยถึงแน่อันนี้เหมือนกันนะ ไปคณะิทา ศ, ศสาสตร์ได้ไปถึงนันะถามเลยเขาเขาไม่ปิดบังนักศึกษาขอลท้าไปด้วยนุ่งพระโมหะไปด้วยนะโอ้ราปลอมได้เขายิเขายิ่งบอกเพราะนึกว่าคุณมาจากบ้านนอกอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวให้เดี๋ยวประกาศอีกทีน ะ, ะประกาศอเดี๋ยวได้ยินเสียงว่าครูก็ตา ม, มาเลยครับตอนนี้เขาติดลงบุญ จิตลงบุญกันเหรอครับจิดลงบุญก็มีติดตลาดซอยการก็มีโอ้ยโมฮงทำไมมันลูกโตจังโอ้โหโอ้สวนไหนเนี่ยใครเอามาสงสัยศักดาดิไอ้บลล์เบลลบลลมาประดับฉากฮะสงสัยอะฮะ จาดาป่ะอ่ามาเร็วๆร็วเร็วเร็วเร็วใครไม่กลัวจะได้เป็นอรหันต์มาเร็วอ่าถ้าใครไม่กลัวใครกลัวเป็นอรหันต์ถอยไปใครไม่กลัวเป็นอรหันต์เข้ามาด้าหน้าเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาตอนนี้ก้าโมงเลยนะเก้าโมงเลยอ๋อเหรอโอ้ใส่ปุ๋ยงอกงามแบาั้น่ะ โอ uh, ้โหมันบิดลูกโตจังเลยอต้นมันรับไหวเอยเนี่ยต้นมันใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันใหญ่กว่าต้นหรือเปล่าเนี่ยลูกมันเนี่ยโเสียงทีวีตัวนี้ใช่บ่าเสียงอะไรเนี่ย พานุนสรณ ก, ก, กายคตาสติกายคตาสติกานาปานสติกับสติปัฏฐานสาี่จะพยายามทำให้เห็นปฏิสัมพัสมันมันต้องมีอยู่ตลอดเวลาต้องทำงานตลอดหมดนะแต่ทีนี้เขาไปแยกส่วนกันเนี่ยมันก็เลยเสียหมดเลยไม่ได้ประโยชน์ <c oughs> พ่อครูครับชใช้โฆษณาวันที่3ด้วยสิครับ uh huh. วันที่ <S 3ธ <3 S 1> ันวาเลครับนี่เปเปอร์อะไรโฆษณาอะไรก็ทรทัตไทย60ปีทรทัตไทยออ๋สรุปแล้วอจินตายป่ะครับ <c oughs> ออโอ้โหวันนี้ปุ๊กลงมาลงมือเองเลยวันนี้าา น, นี่ก้าโมงกว่าแล้วนะก้าโมงกว่าแล้วสิ้นเดือนพฤิกายนแล้ว หายไปหมดเลนเนี่ยท่างโน้นก็เลยมีนั่งอยู่คนเดียวโอ้โลนซ่อมคนเดียว <c oughs> นี่ก็ไม่กี่คนเอ้า มาโอ้กงงกงแงกมาได้เอาเอาเลยหาที่นั่งเร็วนั่นเร็วซิดาวจอฮ่าา่ซิดาวจอโอ้เดินมาแข็งแรงหน่อยเดินกางงกกางแกเสียชื่อหมด เสียชื่อคนอายุ 80-90 หมดเลยมะเป็นสิคนเราสังขารมันร่วงโรยนะมันแม้ว่าเขาจิดังใจนอยากให้มันพาวงใดแต่มันไม่ไปําที่นึกขึ้นไปแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้น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 พระค worth t ม arhato sama samputthasa namo tassa พระค worth t ระ r h โต o sama ส a m p u t t h a s a n ะ m o t a, o t a. s สะ พระกวัตตออรหะตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตตออรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตตออรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังขจฉามิ พุทธังสะระณังคัจฉามิธรรมังสระณังคัจฉามิธรรมังสะระณังคัจฉามิสังฆังสระณังคัจฉามิสังฆังสะระณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสะระณังคัจฉามิทุติยมปิ ธรรมังสรนังคดฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคดฉามิทุติยัมปิสังคังสรนังคดฉามิทุติยัมปิสังคังสรนังคดฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคดฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคดฉามิต ตาตมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตาติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิอิสรนักมณงกิตติตังอามะพันเตพุทธโธธัมโมสังโฆกราบนามัสการพ่อครูด้วยความเคารพครับอ่าสาธุ กราบหมูสงเจริญธรรมสิกขมาตรและขอความเจริญในวิถีอริยธรรมจมมาเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังติดตามชมรายการวิถีอริยธรรมอยู่ในขณะ น, นี้ทุกชีวิตในเบื้องต้นขออนุ ญ, ญาตประชาสัมพันธ์ข้อความที่ส่งมา เกี่ยวกับงานวันพุทธที่สมธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นวันครบรอบ60สปีทีวีไทยวันที่สมธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นวันครบรอบ60ปีทีวีไทยในงานนี้พรอครูสมณะโพธิรักษ์ได้รับกิจนิมนต์ให้ไปร่วมเสวนาเรื่องจดหมายเหตุ60ปีโทรทัศน์ไทยในเวลาสิบ 3นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาเวลา13นาฬิกาคือบ่ายโมงโดยประมาณจนถึง16นาฬิกาสี่โมงเย็นโดยประมาณวันพุธที่สมธันวาคม2557งานครบรอบ60ปีทีวีไทย <นะ S 1> สถานที่จัดงานคือคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็คือไปที่จุฬาเนี่ยจุฬาเนี่ยจะมีอยู่สองฝั่งถนนสองฟากถนนไปสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยยามข้างหน้าว่าเอ๊คณ น, นิเทศอยู่ฝั่งไหนสําหรับคนที่ไม่รู้มาก่อนนะคณะนิเทศอยู่ฝั่งไหนก็เข้าไปที่ฝั่งนั้นแล้วก็เดินทางโดยห้อยโคงแบบห้อยโคงคือใช้ปากเดินถามไปเรื่อยๆว่าคณะนิเทศศาสต์อยู่ตรงไหน คือหนึ่งไปจุฬาให้ได้ก่อนจุฬาก็อยู่ใกล้ๆสวนลุมอยู่ใกล้ๆสวนลุมนา่าจมาไปบ่อยเพราะว่ามีสถานีวิทยุกรุงเทพมหานครทํารายการอยู่ที่นั่นที่สวนลุมพินีมีโอกาสก็แวะไปที่จุฬาทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาทั้งที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนี่เขาไม่เรียกว่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรนะเขาเรียกว่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย คือมีคําว่าจุลาลงกรณ์นำหน้ามหาวิทยาลัยต่อท้ายที่อื่นเนี่ยจะมีคําว่ามหาวิทยาลัยนําหน้าเช่น ม, ม, มกรมหาวิทยาลัยเกษตรมศทมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธรรริราชมรอมหาวิทยาลัยรามคาแหงทํานองนี้เป็นต้นแต่จุฬาลงกรณ์เนี่ยจะใช้คําว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสมอซึ่งจะมีอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสอง เขาเรียกว่าจุลาลงกรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรประมาณนั้นที่อันนั้นเขาไม่เรียกจุลาลงกรนะอันนั้นเขายังจะใช้ศัพท์บัลลีเต็มอยู่จุลาจุลาลงกรราชวิทยาลัยจุลาลงกรณราชวิทยาลัยใช้กรณะเลยใช่ไหมครับจุลาลงจุลาลงกรณราชวิทยาลัยใช่ครับก็ดูดูจะเขียนแบบที่พครด้วย่อมีราชวิทยาลัยด้วย จุลาลงกรราชวิทยาลัยเจลาลงกรณาราฟวิทยาลัยไม่ไม่มีการันไม่มีการัน ต, ตรงของจุลานี่ตอนหลังเขามาจำนวนว่ามันไม่เป็นการณะแล้วเขาขอยอมใส่การันเจจุลาลงกรเขาก็เลยใส่การันเจจุลาลงกรอันนี้คือความละเอียดในการจำแนกความแตกต่าง <c oughs> ตามที่พ่อครูได้อถ า, าธิบายมาเพราะนั้นพี่น้องของเราอย่าลืมนะใครที่จดไม่ทันก็จดซะคณะนิเทศศาสตร์ จุราลงกรมหาวิทยาลัยวันเสาร์อกอโทษวันพุทธที่สามธันวาคมนี้เวลา13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาก็ขอประกาศไว้ตรงนี้รู้สึกนอกจากพ่อครูจะได้รับนิมนต์ไปแล้วเนี่ยจะมีนักทรโทรทัศน์อาวุโสเขาลุ่นเลยเขาเชิญไมเขาเชิญเท่าที่ยังมีชีวิตกันอยู่ส่วนมากก็ที่จะเชิญเชิญนี่ก็ดูเหมือนจะ80ดิบอัพ ทั้งนั้นเลยอายุ80อัพทั้งนั้นเลยที่จะเชิญกันไปขราวนี้ก็ไปดูกันอจะไปโปรงสังขารก็ได้น่าเชิญ <c oughs> กดส80อัพก็ประมาณนี้ฉลอง80ออปีไม่มีแก่เศษพิเศษพิเศษ80อัพ <c oughs> ก็คือประมาณที่ปรากฏในหน้าปกสารโศกเนี่ยที่ว่าฉลอง80ปีไม่มีแก่ งานบูชาพระบรมสารีริกธาตุและอโศกรำลึกครั้งที่สามิบามซึ่งผ่านมาแล้วเพียงแต่ว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่แสดงถึงความไม่แก่ความไม่แก่จริงๆงรูปนั้นถ่ายฉลองอายุแปดสิบด้วยครับถ่ายฉลองอายุแปดสิบรู้สึกว่าจ ะ, จะจะมีปรากฏในปฏิปทิน<ช>ิิทนมีปรากฏใน<ข>ปฏิทินครับแไปทำปฏิทินต่อเลย ป, ป, ปีนี้ด้วยที่มีคําสลอกที่ว่า วัฒนธรรมบุญนิยมนั้นต้องไม่ใช้บุญเป็นวิมานหลอกคนวัฒนธรรมบุญนิยมนั้นต้องไม่ใช้บุญบุญในเครื่องหมายคามพูดนะวัฒนธรรมบุญนิยมนั้นต้องไม่ใช้บุญเป็นวิมานหลอกคนพอดีมีช่วงที่เรากำลังจะรณรงค์การจัดตั้งโรงบุญมังสวิรัตห้าทานวามหาราชกันอยู่อาจมาไปเปิดเจอในคา ให้โอวาดโอวาดพ่อครูสรุปงานอโศกรำลึกที่ผ่านมาเนี่ยแปดสิบปีไม่มีแก่รู้สึกจะมีประเด็นที่เกิดความรู้สึกกันว่าไม่คุ้มคือหมายความว่าเราพยายามแจกเยอะแต่คนมารับน้อยดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มพ่อครูให้อา ธ, าธิบายให้รายละเอียดในหนังสือเล่มนี้มีผู้เก็บความมาลงว่าเรากางเต็นท์เจ็ดหลัง คนมาก็นิดเดียวอะเราตั้งซ่วมแปดสิบหลังแล้วคนก็มานิดเดียวอะหรือเราจัดสถานที่ที่ริมมูลไว้ก็ได้ใช้นิดเดียวอะเราขนจอ LED เตรียมไว้ก็ได้ใช้นิดเดียวอะถ้าเราคิดอย่างทุนนิยมเราก็ว่าไม่คุ้มเลยเราไปคิดว่าเราจะได้แต่ว่าเราต้องคิดว่าเราได้ให้เราไม่คิดว่าคุ้มหรือไม่ ถ้าเราเจตนาว่าเราทำเผื่อพี่น้องญาติโยมเรามามากเราก็ทำไว้ถ้าเขามาเกินกว่าที่เราเตรียมไว้มันแย่แต่ถ้ามาน้อยกว่าที่เราคาดเราได้ให้เราก็ไม่เสียเราได้ฝึกเราได้ฝึกได้อันนี้คือว่าอาตมาว่าเราเสียสละแต่เราไม่ได้เสียเรามาให้เต็มๆดีกว่ามันไม่พอเป็นคนขี้เหนียวสมมติว่าคนมามากเราก็คิดว่ามันคุ้ม มันก็เท่ากันนั่นแหละถ้าเรามองในแง่ความสมเหมาะสมควรสุรุ่ยสุร่ายมันก็อยู่ที่การคาดคะเนกะเอาซึ่งเราก็ไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายอาตมาก็มองว่าน่าจะมามากกว่านี้แต่เอาเข้าจริงน้อยกว่าที่คาดไม่ได้เจตนาจะไปโทษทรรศทัตไม่ได้เรามีสเสน่ห์เท่านี้จุดที่เราต้องปรับมีอยู่เรามีสเสน่ห์เท่านี้ประเด็นนี้อาตมาอาตมาเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการ ยอมรับความจริงอ่ะนะเวลาเราทําอะไรแล้วมีคนรับเราน้อยหรืออาจจะถึงขั้นปฏิเสธเลยก็ได้มันเป็นจริงนะเรามีเสน่ห์แค่นี้เรามีเสน่ห์แค่นี้เพราะฉะนั้นก็แรงจะมีเสน่ห์อะไรมากนักเฉียวอะใช่ไหมดังที่เพื่อเราก็มาจะฮะต้องเป็นหงใช่ไหมเป็นหงระวังจะเป็นหงอะ เพราะฉะนั้นรูปแรงดูร่างร้ายรุงรังภายนอกเพียงพึงชังชั่วช้าเสพสัตว์ที่มรณนังนรโทษดุดจิตสาธุชนกล้ากันสร้างทางผลอันนี้เป็นโครงโลกอนิจที่นำเสนอเพราะฉะนั้นเมื่อเราแน่ใจว่าเราเนี่ยเป็นแรงเราเป็นสัตว์มีศีลแต่ในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบนกยางขนเรียบร้อยดูดี ภายนอกสดใสสีเปรียบฟ้า่เศกินสัตว์เสกปรามีชีวิตดุดดังคนใจร้ายนอกนั้นดูงามอันนี้ก็โครงลูกันิดเช่นเดียวกันคนโดยทั่วไปเขาจะชอบความสวยของนกยางธรรมชาติแต่กิเลสโดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นแต่เขาจะปฏิเสธความมีศีลของนกแรง้งเพราะเขาดูว่านกแร้งไม่สวย การนันพ่อครูจึงอาาธิบายว่าทําไงได้เรามีเสน่ห์แค่นี้จะไปโทษอะไรได้เพราะเรามีเสน่ห์เท่านี้จุดที่เราต้องปรับมีอยู่คือคําว่าเรามีเสน่ห์เท่านี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้หมายความว่ายอมจำนนนะพ่ะครูพูดเพิ่มเติมว่าจุดที่เราต้องปรับมีอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นนกแร้งเรามีเสน่ห์แค่นี้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายว่านกแร้งจะต้องยอมให้ตัวเองเนี่ยเป็นมีเสน่ห์เท่านี้เพราะว่าไม่ปรับ ส่วนที่มันเป็นสเสน่ห์ออกไปจากชีวิตของตนหรือออกไปจากการทํางานของเราพ่ะครูบอกว่าถึงอย่างไรส่วนเกินศูนย์ส่วนศู น, นไปก็ถือว่าสุรุ่สุร่ายถึงอย่างไรส่วนเกินศูนย์ไปก็ถือว่าสุรุสุร่ายเราก็ไม่เจตนาแต่ในด้านจิตวิ ญ, ญญาณการเสียสละเรามุ่งตรงนี้ดีกว่าขี้เหนียวเรามุ่งตรงนี้ดีกว่าขี้เหนียวถ้าขี้เหนียวเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเราก็ไม่ได้เรียนรู้ฝึกฝน แต่นี้อย่างน้อยเราได้ทำงานได้ฝึกซ้อมได้อดทนที่ลึกซึ้งคือเราไม่เสียใจไม่คิดเล็กคิดน้อยโดยพ่อครูอา ธ, าธิบายตอนนั้นว่าสรุปมีอยู่สี่คำที่คิดว่าเป็นข้อสรุปคือหนึ่งปัญญาสองน้ำใจสซื่อสัตย์แล้วก็ 4. อุตสาหะปัญญาจริงๆปัญญามานำหน้าเลยทีเดียวนะหนึ่งปัญญา พอปัญญาเสร็จก็นำไปสู่น้ำใจนั่นแปลว่าจ ะ, จ, ะจะต้องเป็นน้ำใจที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นน้ำใจที่มีตัวปัญญานำบางคนมีน้ำใจจริงนะแต่ไม่มีปัญญานำก็กลายเป็นน้ำใจที่บางทีก่อให้เกิดผลเสียได้ซ้ำไปเพราะนั้นพวกเราจดไว้หน่อยก็ได้เป็นข้อสรุปของพ่อครูที่นำมาเสนอเพราะว่าช่วงนี้สอดคล้องกับช่วงการตั้งโรงบุญแล้วพวกเราก็กาลังจะต้องไป ปฏิบัติธรรมสาธารณโภคีภาคสังคมมานคือหนึ่งปัญญาสองน้ำใจสามซื่อสัตย์แล้วก็สี่อุตสาหะทั้งสี่ข้อนี้ขอให้ถือปฏิบัติร่วมกันพอปัญญาเนี่ยนำร่องแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติภาคน้ำใจแล้วก็มีความซื่อสัตย์จากนั้นก็มีความอุตสาห ะ, ะมีความอุตสาหะตามที่ว่ามา อาตมาได้สี่คำนี้เป็นเรื่องจริงเกิดจริงที่เราเป็นอย่างนี้ได้เพราะทฤษฎีพระพุทธเจ้าทุกคนใช้ปัญญาอิสระส่วนตัวและทุกคนก็ใช้น้ําใจน้ําใจของแต่ละคนถ้าเราไม่มีน้ําใจนี่ก็จะเกิดไม่ได้คําว่าน้ําใจนี่ลึกซึ้งมากเป็นของใครของใครไม่ใช่บังคับอันนี้สังเกตนะน้ำใจเนี่ยเป็นของใครของใครไม่ใช่บังคับถ้าบังคับเนี่ย มันไม่ใช่น้ำใจที่เป็นน้ำจริงมันเป็นน้ำที่ อ, อาจจะถูกบีบเค้นบังคับดรวยอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้ใจเพราะนั้นไม่ใช่บังคับเป็นอิสระเสรีภาพเป็นความพอใจภาคภูมิด้วยเป็นพลังงานปัญญาเป็นพลังงานน้ำใจที่ซื่อสัตย์และพรอครูก็บอกด้วยว่าพวกเรามีอุตสาหะนี่งานเสร็จก็งานเสร็จก็เก็บได้หมด ใช้ปัจจุบันธรรมที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเยอะแยะแค่ต้องรื้อเต็นก์นกันกลางน้ำก็หนักหนางานสังคมแบบเราแล้วคนมามากๆโดยเฉพาะมีคนใหม่มาผสมถ้าพวกเราการเองก็ไม่มีเรื่องมากแต่เมื่อมีคนใหม่มาคนที่ขวนขวายก็มีคนที่ไม่ขวนขวายก็มีมาจะนอนจะกินที่ไหนก็ไม่รู้อะไรทำนองนี้อันนี้เป็นรายละเอียดของงานนั้นแต่ประเด็นธรรมะที่เรามาต้องการนามากล่าวช่วง การตั้งโรงบุญเนี่ยก็คือเนี่ยสี่ข้อที่พ่อครูได้ให้ไว้เนี่ยคิดว่าน่าจะนำมาปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการตั้งโรงบุญหธันวามหาราชเนี่ยอามาเรียกว่าเป็นงานสาธารณโภคีภาคสังคมเป็นการเป็นสาธารณโภคีแก่สังคมเลยทีเดียวอะตำจุดต่างๆคือแทนที่คนในสังคมจะคิดว่าจะกินได้ก็ต้องมีเงินบางทีไม่มีเงินจะกินก็ได้ คือไม่มีเงินเนี่ยก็สามารถกินได้าสามารถช่วยเหลือเฟือฝฟายซึ่งกันและกันได้เพะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งก่อนจะถวายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกายคตาสติอาณาปานาสติแล้วการปฏิบัติธรรมะที่พรอครูจะได้อาธิบายสืบต่อไปหนึ่งปัญญาสองน้ำใจสาซื่อสัตย์และสี่อุตสาหะทั้งสี่ประการนี้ ขอท่านทั้งหลายจงน้อมนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีภาวะจิตแบบนี้คือเพราะไม่กังวลในความร่ำรวยไม่หิวโหยในความบันเทิงไม่ปรารถนาความเป็นใหญ่เป็นโตไม่มีปัญหากับความเครียดชีวิตจึงไม่ขาดแคลนความเบิกบานโดยพ่อครูส ม, มณะโพธิรักษ์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 พูดไปมีคนบันทึกไปรวบรวมไปแล้วก็เอามาสรุปอะไรต่อะไรไปก็ดูดีเนาะอาตมาก็สรรค่าสร้างคนไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละในชีวิตนี้เกิดมาคิดว่าได้ทำงานนี้คุ้มกับการเกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตไม่ได้ไปล่าลาบยศสันเซิญโลกีสุขอะไรไม่ได้ล่ามาไม่ได้ลงไลในความบันเทิง แล้วก็ไม่ได้ไปหมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่อะไรไม่กังวลในความร่ํำรวยไม่หิวโหยในความบันเทิงไม่ปรารถนาความเป็นใหญ่เป็นตอ่อไม่มีปัญหากเกี่ยวกับความเครียดอะไรต่อะไรจริงจริงอัตมาไม่เคยเขาถามว่าเคยเครียดไหมอัตมาก็ยังงงงก็ยังฟังก็เลยเคยได้ยินภาษานี้ก็เดาเข้าไปว่าเครียดคืออะไร ก็ยังนึกด้ว่ามันเป็นยังไงหน้าความเครียดนี่เราก็ไม่เคยรู้จักนะไม่เคยมีอาการเครียดอารมณ์เครียดนี่ไม่เคยรู้จักมันเป็นยังไงนะก็ก็ไม่รู้สิ่มันอาจจะไม่เหมือนคนคนหลายมันทำไมมันไม่มีความเครียดมันไม่เคยเครียดแล้วมันก็ไม่รู้จักว่ามันเครียดคืออะไรนะก็เดาๆว่ามันคงเป็นตึงๆอะไรเป็นยังไงการตึงๆอาการ ปวดหัวหรืออะไรครัใช่ไหมก็บังเอิญบังเอิญอาการเป็นทุกข์มันนก็ใหญ่รวมกันจังเลยเนาะความเครียดก็เป็นทุกข์นี่มันรวมกันใหญ่ยังนะตรามาก็ยังคือยังแปลไม่ออกเหมือนกันยังรู้สึกอารมณ์เข้าใจไม่ได้วะนี่มันเป็นยังไงความเครียดนะไอ้ความกังวลมก็เคยมีนะความกังวลความห่วงหาอาวออะไรมี เคยมีนะอ่านออกเข้าใจภาษาไทยที่พูดว่าความกังวลความห่วงาอาวรณ์หรือแม้แต่อาการที่มันไม่ชอบใจมันโกรธอะไรนี่ก็เคยมีแต่ว่าเครียดเนี่ยนึกไม่ออกว่าเป็นอาการยังไงนะเขาบอกเครียดเครียดแล้วเขาก็ ต, ต, ตึงตึงเออมันจะ ต, ต้องถ้าเครียดมันต้องตึงตึงตึงตึงไงเนื้ออัตมาก็นึกไม่ออกเพราะวาอัตมาก็ไม่เคยเครียดแล้วก็ตึงตงตึ ง, ตง อีกเท่าที่คำหนึ่งที่เขากล่าวน่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นหน้านิ้วคิ้วขมวดหน้านิ้วคิ้วขมวดแั่มันเป็นอาการบ่งชี้ถึงความเครียดที่แสดงออกเป็นรูปธรรมหน้านิ้วคิ้วขมวดนี่คือเครียดเด้ประมาณนั้นครับเอออาตมาก็ไม่รู้สิเนาะแต่เป็นคําที่เขาเอามารวมกันหน้านิ้วกับคิ้วขมวดอ๋ออ๋ออ๋อเอาละก็วิจัยวิจารณ์อะไรอรบ้างอะไรเนี่มันยืน นะส่งสงให้ผมก่อนก็ได้เอามายื่นตนน้นเดี๋ยวใครจะส่งอะไรเนี่ยให้ส่งถึงท่านจันน ะ, อ, ะ อ, นยอย่าไปรบกวนตอนนี้ก็ลั <มา S 2> เงเข้าสู่<ว>เรื่องราวที่อาตมาคิดว่าควรจะพูดเป็นธรรมะในวันนี้ตั้งใจจะพูดพูดวนอยู่นี่นานแล้วนานจะเป็นเดือนเป็นปีละพูดเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่เนี่ยแต่มันก็ต้องพูดเพราะว่ามันเข้าใจกันผิดมานานผิดที่น่าสงสาร ผิดอย่างที่เรียกว่ามันไม่พาบรรลุธรรมเท่าที่หมายก็เลยเสียทั้งพลังงานเวลาแรงกายอะไรต่างๆทุนรอนต่างๆลงทุนไปนะลงทุนไปแล้วก็ไอ้เสียหายที่มันไม่ได้ลงทุนไปต่างๆนะลงทุนแรงงานลงทุนทุนลงทุนเวลาลงทุนชีวิตทั้งชีวิตนั่นแหละนะมันไม่ได้สิ่งที่คืออันนั้น คืออะไรคือโลกุตธ ร, ธรรมของพธธระพุทธเจ้าโลกุตธรรมนิ่พาไปถึงนิพพานเป็นเนื้อหาแท้ของศาสนาพุทธและมันไม่ได้ขออภัยที่ต้องกล่าวจาเป็นต้องกล่าวมันไม่ได้ถึงขั้นสถาบันหลักของสังคมประเทศคือสถาบันพุทธศาสนาขออภัยนที่ต้องกล่าวนี้จริงๆตามความเห็นของอตมามันอต ผิดถูกอะไรอาตมาละผิดชอบแต่อาตมาว่าอาตมาไม่ได้พูดผิดสถาบันพุทธศาสนาอย่างนั้นเลยเป็นหลักเป็นแกนเลยก็ไม่ได้อาตมาว่านะขออภัยอีกทีอาตมาว่าของอาตมาก็ไม่ได้เข้าถึงโลกุตระเพราะเข้าใจความเข้าใจผิดในเรื่องกายกตาสติอานาปานาสติแล้วก็เลยปฏิบัติสติปัฐานสี่ ไม่เป็นผลไม่ได้ผลนะเพราะเข้าใจความคำว่าอาณาปานสติกับกายคตาสติไม่ได้ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องประเด็นแรกเลยคือแยกกันแยกกายคตาสติเป็นสูตรหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งแยกอาณาปานสติเป็นอีกสูตรหนึ่งเรื่องหนึ่งไม่มาเกี่ยวกันไม่สัมพันธ์กัน ไม่ต่อเนื่องกันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายขตาสติกับอาณาปานสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกกันไม่ได้ยืนยันโดยหลักฐานพระเทพปิฎกเลยาอาตมาหยิบพระเตรปิฎกเล่มสิบสี่เล่มสิบสี่ม า, าอาณาปานสติสูตราอารณาปานสติสูตรอยู่ในหน้า ร6ออันนี้ฉบับฉบับหลวงข้อ282เริ่มต้นนาะเริ่มต้นข้อ182ท่านก็นว่าถึงสถานที่เรื่องลาวคงประกอบ183ก็ว่ามานะทา่านก็อธิบายเริ่มต้นอารมภ บ, บทมาจกนกระทั่ง184ก็ยังพูดถึงลักษณะของอภิกษุอะไรต่างๆอยู่ยังไม่ได้เข้าเนื้อของความเป็นอาณาปานสติพอข้อ285 ก็เริ่มต้นจะเข้าเนื้อหาของอาณาปานสตินะอัตมาจะร้องอ่านเร็วๆแล้วก็อ่านคร่าวๆผ่านๆให้ฟังเพื่อจะยืนยันให้เห็นว่าอาณาปานเสนีสูตรอาณาปานสตินะเริ่มต้นก็รวมกายไว้หมดแล้วเริ่มต้นก็รวมกายไว้หมดแล้วเดี๋ยวพอไปอ่านกายก้าตาสติเริ่มต้นก็อาณาปานสติขึ้นแล้ว แล้วก็ค่อยๆต่อไปถึงกายส่วนอาณาปาณสติเริ่มต้นกายแล้วค่อยไปหาอ า, าณาปานสติส่วนกายขจาาสติเริ่มต้นอน า, าณาปานสติแล้วค่อยเข้าไปหากายไม่ได้แยกกันเลยนะนี่เดี๋ยวเอาอ า, าณาปารสติสูตรกับกายาสติสูตรมายืนยันกันมันอาจจะเข้าใจยากสาหรับผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์พราะถูก เพี้ยนผิดทำเพี้ยนผิดมานานแล้วแยกกันมานานแล้วก็เลยแยกกันมาไม่รู้ตั้งแต่กี่ร้อยปีแล้วมันก็เลยไม่เมื่อมันมันแยกกันซะแล้วมันไม่เป็นองค์รวมที่จะต้องปฏิบัติแล้วได้ไดผลต่างช่วยกันต่างที่จะเป็นอันเดียวกันนำพาให้บรรลุก็ไปตัดทิ้งแล้วแม้แต่ศีลสมาธิปัญญาก็ตัดทิ้งไปหมดพ่อบมันตัดทิ้งเรื่องสาคัญไง อาณาปานสติกกายคตาสตินี่เป็นเรื่องสําคัญต้องใช้สติในการปฏิบัติอานาปาณะหรือใช้สติปฏิบัติกายคตะกายเรื่ององค์ประชุมของรูปนามที่มันกําลังดําเนินไปเรียกว่าคตะทั้งหมดทุกอิรียบทสําเร็จ์ดิรียบทอยู่มีสติสําเร็จนิรียบทอยู่แล้วก็ปฏิบัติให้เต็มสืออาณาปานสตีนั่นน่ะเป็นสูตรที่ยังลึกไปอธิบายภายใน ขยายความภายในถึงจิตในจิตชัดๆถึงบทบาทเขาลีลาของจิตในจิตนะซึ่งตอนนี้อาตมา ก, ก็นำมาขยายซ้อนมาแน่แต่ในอาณาปาณสติกก็ลึกเข้าไปก็ยังไปพิจารณากายอยู่ในต่เองคือกายสังขารต้องรู้ความเป็นกายสังขารกายยะสังคารโหรือกายยะสัพพกายยะปฏิสังเวทีต้องเรียนรู้เข้าไปถึงกายทั้งปวงอะไรอีก เริ่มต้นก่อนเลยในอาณาปานสิถึงเนื้อแท้เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ละเอียดพอกันก็เลยตัดทิง้งแยกทิ้งไปเลยอาณาปานสติไม่มีกายกายไม่มีอาณาปานสตินี่คือความล้มเหลวหรือสูญเสียของศาสนาพุทธแก่นศาสนาพุทธก็เลยไม่เกิดไม่มีได้แต่เปลือ ก, อกที่จึงไม่เปลือกเลยอาตมาพูดไปแล้วในจุลสารปมสูตร ที่ท่านบอกว่าแต่แต่แก่นมาจน ก, กระทั่งถึงดอกไอ้กิ่งใบเลยได้แต่กิ่งใบสะเก็ดยังไม่ได้เลยสะเกตคือศีสะเก็ดคือ ส, ส, อสียังไม่ได้เลยนะสะเก็ดคือสี น, นะแล้วก็เปลือกนี่คือสมาธิก็ไม่ได้เพราะเพียนไปหมดไม่เป็นสมาสมาธิศีนก็ไม่สมาธินะเพราะฉะนั้นจะเป็นปัญญาเป็นแก่นเป็นมีมุติ ไม่ต้องพูดถึงเลยขออพันธสัญาอัตมาพูดนี่มันใหญ่ใหญ่หญมันไปดูถูกดูแกนตีทิ้งผู้อื่นเลยว่าเขาไม่มีขอยืนยันว่าอัตมาไม่ได้ไปว่าแต่อัตมาสแสดงความเป็นของตนสแสดงความเป็นของตนซึ่งเลี่ยงไม่ได้ที่อัตมาต้องยืนยันว่าอันนี้ถูกที่อัตมามั่นใจว่าถูกแล้วก็นำพา ก, กันแล้วเอามาประกาศยืนยันว่าถูกต้องกล่าวว่าถูก ที่มันไม่เหมือนนี้อย่างที่ท่านเป็นกันมันคนละอย่างกันอาตมา ก, ก็จำเป็นต้องใช้ภาษากล่าวว่ามันผิดมันเลี่ยงไม่ได้ต้องกล่าวว่าผิดจะไปบอกว่าขม่มจะบอกว่าดูถูกจะไปบอกว่าตีทิ้งอะไรก็แล้วแต่ก็ขออภยัยจริงจริงมันจำนวนมันเลี่ยงไม่ได้ใช้ภาษาอาตมาจะไปใช้ภาษาอื่นได้ไงมันไม่มีทางมันจาเป็นนะ จริงๆ จ, จิตอาตมาไม่มีไม่มีสาเทยะไม่มีจิตเป็น อ, อนุปวาโทไปที่ใดพูดทับถมผู้อื่นไปพูดว่ารายผู้อื่นอะไไม่มีอาจะไม่มีอันนี้จริงๆความเป็นลักษณะของอนุปวาโทคืออะไรหรือว่าสาเทยจิตคืออะไรอาตมาเข้าใจผมถามพ่ะครูอนุปวาโทเนี่ยเป็นความหมายในเชิงบวกไหมครับอนุปวาโทไม่บวกที่ อนุปวาโทแต่โอ้เคขออภัยอุปวาโทครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ทัศครับผมอุปวาโทไม่ใช่อนุปวาโทไม่ได้พูดร้ายใช่ครับอนุปวาโทไม่พูดร้ายก็ก็หมายถึงผมไม่ได้พูดร้ายอนุปวาโทแต่ที่จะพูดไปเป็นหมายถึงในยะว่าพูดร้ายอัตมาไม่ได้พูดร้ายก็ต้องใช้คาว่าอุปวาโทครับผมขอบคุณขอบคุณทิทัศไม่งั้นมันจะสับสนมันจะไม่ชัด ผมเองก็เป็นบ่อยคร <biliyor S 1> <นะ S 2> คิดถูกแต่พูดผิดอคิดถูกแต่พูดผิดครับผม <นะ S 1> คือหมายถึงว่าอาตมาไม่ได้พูดร้ายอุปวาโทนะไม่ได้พูดร้ายนี่ต้องใช้อนุปวาโทแต่ทีนี้ไปใช้เจตนาว่าอาตมาไม่ได้นี่มันเป็นภาษาไทยแล้วไม่ได้พูดร้ายคําว่าพูดร้ายนี่คืออุปวาโทคำว่าภาษาไทยว่าไม่ได้พูดร้ายต้องใช้คําว่าอุปวาโทแต่บางไปพูดว่าไม่ได้พูดไม่ได้อนุปวาโท มันก็เลยไปซ้ําว่าเอามือไหม้ไห ม, ม้มันก็ลบกันกที่เขาเรียกว่าผู้ลายทุกงั่นแหะใช่ไหมมันมันก็จะผิดภาษาอ๋ อ, อ, อ, อดีและแก้ซะให้ถูกต้องเอาทีนี้มาเข้าเรื่องอาตมาขอสรุปอย่างนี้กันละกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตั้งแต่ข้อ2องหมาเนี่ยท่านก็ตรัสว่าในธรรมะของท่านเนี่ยเมื่อประกาศแล้วผู้เข้าใจแล้วออกไปปฏิบัติธรรมก็เกิดผู้ได้มักได้ผล เกิดได้มักได้ผลและก็มาบวชมาเป็นนักบวชมาเป็นภิกษุภิกษุณีมีตั้งแต่เป็นคีนาศพโลกุตรนะนาณาปานาสกินีเริ่มตนเขาบอกมีตั้งแต่ขีนาศพหรือมีต่อมามีอนาคามีต่อมามีสกิทาคามีต่อมามีโสดาบั น, นแล้วต่อจากนั้นก็มีผู้ที่กำลัง ประกอบความเพียรถือว่าแม้ว่าคุณยังไม่ได้เป็นบุคคลสี่อรหันต์อนนาคาสกิทาโซดาอยู่คุณผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมพรุทธเจ้านั้นอานาปานสตินี่แหละนี่กำลังพูดถึงว่าการปฏิบัติอนาปานสติปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลเป็น อ, อรหันต์อนาคาสกิทาโซดาแม้ว่ายังไม่ได้ ก็ยังเป็นผู้ที่ประกอบความเพียรในอันเจริญสติปทาน4อยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่สมาธิแล้วก็รู้ว่าออสติปทานสี่นี่แหละเป็นตัวแท้ในการปฏิบัติเลยและเป็นโลกุตระข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อใหญ่นะสติปทานสข้อย่อยก็มีสข้อในปัติปทาน ข้อย่อยจริงๆอันแรกคือกายในกายเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจคำว่ากายไม่ถูกต้องและคุณพิจารณาหรือทำปฏิบัติทำในความเป็นกายเนี่ยเมื่อเข้าใจกายไม่ได้คุณปฏิบัติในความเป็นกายคุณเข้าใจกายไม่ได้คุณก็ปฏิบัติพิจารณาไปยังไงก็ผิดที่ใช่ไม่มเพราะฉะนั้นคุณจะไปรู้เรื่องกายกายสังขารมันจะเป็นยังไงกายวิญญาณมันจะเป็นยังไงนะ หรือว่าปฏิบัติปัญญาทิฏฐิเจจะต้องรู้ความเป็นกายต่างกันสัญญาต่างกันหรือว่ากายอย่างเดียวกันสัญญาไอกายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันแล้วมันต่างกันยังไงคุณจะเข้าใจได้ยังไงว่ากายคืออะไรแล้วมันต่างต่างคือยังไงที่จริงความต่างก็คือถ้ามิจฉาทิฏฐิก็จะได้กายอย่างหนึ่งองค์ประชุมของรูปนามถ้าเป็นสมาธิก็จะได้ กายอีกอย่างนึงคือองค์ประชุมเขารุกนามอีกอย่างหนึง่งแม้สัญญาอย่างเดียวกันในวิญญาณทิฏฐิข้อที่สองนี่เป็นต้นคุณก็ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติมันไม่เข้าเลยล่ะมันไม่ถูกเลยเพราะว่าตัวที่ตัวฐานปฏิบัติเลยคือกายเนี่ยมันผิดไปแล้วแต่ต้นนะก็ใจผิดเพราะงั้นโล ก, กุตระข้อแรกในสติปัฏฐานสี่คือกายในกาย ที่เริ่มต้นเนี่ถ้าประกอบความเพียรอยู่ถ้ามิชา้าทิฏฐิตั้งแต่คำว่ากายในโลกุตระข้อที่หนึ่งคือกายในกายคุณมิชา้าทิฏฐิตั้งแต่คําต้นแล้วขบวนการทั้งหมดหมดเลยทั้งยวงเห็นไหมเห็นความสําคัญของคำว่ากายไหมนะเพราะฉะนั้นท่านกระตัสต่อมาว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐานสีอยู่นี่คือข้อทีนี้ข้อต่อมาก็จเจริญสมปทานสอยู่ ก็คือองค์โพธิปักขีธรรม37มสิสติปฐานสี่อิทธิบาท4อนห้าพระละหโพธชงเจ็มรรคเพราะงั้นตั้งแต่สติปฐานสี่มาถึงมรรคนี่คือโพธิปักขีธรรมทั้งหมด37รวมแล้วเป็นโล ก, กุตระ37ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระเดปิดกเล่ม31อข้อ620อ่สตอนนี้ยังจำได้อยู่ เดี๋ยวก็เลือนเดี๋ยวก็จยากเดี๋ยวก็เลือนแต่ตอนนี้มันยังจําได้อยู่ข้อ3อพระิัตบิรกรเล่ม31ข้อ620ถ้าตรัสไว้ถึงโลกุตระ6ี่อันมีโลกุตระ9ซึ่งบุคคลบุคคลนั่นแหละแยกเป็น8แ้แต่มรรคผลไปจนกระทั่ง8แล้วกับนิพพานอีกหนึ่งก็เป็นโลกุตระ9กผู้จะมีโลกุตระเก้านั่นก็ต้องปฏิบัติ โพธิปักคีธรรมสานี้เพราะในโพธิปักคีธรรมสามสินี้อย่างสมาธิฐินั่นคือโลกุตระอัตมาเน้นคําว่าโลกุตระนะเพราะโลกุตระไม่มีแล้วทุกวันนี้เนี่ยโลทกุตระคืออะไรและพุทธศาสนาคืออะไรที่อัตมาตั้งตั้งเป็นประเด็นดที่อธิบายมายืดยาวนะโลกุตระก็ดี อเทวนิยมก็ดียิ่งอเทวนิยมยิ่งเข้าใจยากกว่าโลกุตระอีกนะหลักฐานที่จะเอามายืนยันก็ยากกว่าด้วยอธิบายยากกว่าด้วยความเป็นเทวะแต่ค่อยๆอธิบายไปนะตอนนี้อธิบายโลกุตระให้มากขึ้นหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเข้าใจอาณาปานสตินี่เป็นโลกุตระอย่างนี้และปฏิบัติกายในกายนี่คำว่ากายแล้วนะ เพราะฉะนั้นอน า, นาปานาสติเนี่ยเริ่มปฏิบัติข้อหนึ่งคุณก็จะต้องปฏิบัติกายนะขยายคาว่ากายก็คือกายคตาสตินั่นแหละคุณต้องมีสติปฏิบัติรู้คาว่ากายที่มันกำลังดำเนินไปเลยว่าคตะคโตกำลังดำเนินไปองค์ประชุมของรูปนามกำลังดำเนินไปก็ต้องมีสติปฏิบัติให้มันได้ยังไปถึงผลคืออนาปานาสติ16หลัก สรุปเนื้อถ้าพูดที่ปึกษาแล้วมีพื้นฐานแล้วฟังแล้วจะเข้าใจนัน่นอ่ะอิทธิอาตมา ก, กำลังอธิบายตอนนี้ขณะนี้เพื่อที่จะยืนยันหลักฐาในให้เห็นว่ า, าศาสนาพุทธถ้าเข้าใจกายขาตาสติอาณาปานาสติไม่ได้ไม่ถูกต้องไปแบ่งกันคนละอย่างไปเอาแต่อาณาปานาสติกายขาตาสติไม่เอาจบ ไ ม, ไ, มไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้บรรลุธรรมเพราะส่วนมากที่เข้าใจกันอยู่ในไปอนาปาณสติคือไปนั่งตั้งกายตรงดํารงสติคงมัน่นแล้วก็หลับตาแล้วก็เข้าไปสู่ภายในเอาลมเป็นกสินอนาณาอาปาณะแปลว่าลมล ม, ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสองอย่างเอาอันนี้เป็นกายเนยวสัปปะโยอยู่แค่นี้ซึ่งมันเป็นข้างนอกมันเป็น าธาตุมหาพูทธรูปน่นไม่เป็นาธาตุดินน้ำไฟลมเหลือลมอยู่ท่านั้นนอกนั้นไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวแล้วแต่พระพุทธเจ้าจะไม่ให้ทิ้งไม่ให้ทิ้งมหาพูทธรูปนะเพราะฉะนั้นนั่งอันนี้แต่อธิบายภายในก็อ่านจิตไปทำยังไงกายยสังขารนะเมื่อเข้าใจกายสาาะะกายสังขารผิดพะจะทากายยสังขารให้มันเป็น เป็นปัดสัมพยังกายจสั้งค่ารังคือจะทําให้กายสังขารนี่มันระ ง, งับสงบเมื่อคุณเข้าใจกายผิดตัดเอาเหลือแต่รูปธรรมไม่มีนมามธรรมทําให้กายสงบกายสังขารสงบคุณก็ทําให้กายมันนิ่งไม่กระดุกกระดิกไม่หายใจนี่ถือว่ากายสงบแล้วถ้าเข้าใจแค่เนียและก็ปฏิบัติอย่างนี้นะ่ะผิดแล้วไม่ได้ผล ไม่เป็นปรมัตไม่เข้าสู่จิตเจตสิกรูปนิพพานนะสูญหายเลยและเป็นอย่างนั้นกันจริงๆเลยที่เป็นกันอยู่ถ้าบอกว่ากายในหมายถึงโอ้ยแลางกายมันมยังไม่นิ่งร่างกายนะยังไม่นิ่งนี่คือยังไม่ทำให้สงบถ้าจะสงบไปทำจิตให้สงบก็เลยกายงมงายไปเลยขออภัยตรงใช้คำหนักงมงาย และไปทำให้จิตสงบก็ไปให้นิ่งอีกเหมือนกันกันกบกายนิ่งนิ่งนั่นะคือสงบระ ง, งับปัดซ้มพยังมันก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าคําว่าสงบระ ง, งับปัดซ้มพยังนี่ขออาภัยเถอะอย่าหาว่าสอนผู้รู้ผู้เป็นปราฏเลยปัดซ้มพยังนี่ลึกซึ้งมากว่าสงบลงไปนี่ทำให้ระ ง, งับลงไปเนี่ยหมายความว่าระ ง, งับตัวการระ ง, งับตัวกิเลส ให้กิเลสมันระ ง, งับไม่ได้ไปทําให้กายกรรมไม่ให้ทําให้วจีกรรมไม่ทำให้มโนกรรมมันหยุดมันนิ่งมันแข็งมันไม่ทํางานไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่เลยทําให้ตัวตัวการใหญ่ตัวสําคัญคือกิเลตันหาอุปาทานตัวสมุทยัยตัวนั้นแหละมันระ ง, งับระ ง, งับบทบาท ระงับพฤติกรรมอยู่ในจิตเรานั่นคือตัวปัดซ้มพยังทำให้ระงับระงับในกายสังขารระงับในจิตสังขารคือตัวนี้เพราะฉะนั้นพูดถึงกายสังขารที่ปัดซ้ำพยังที่ระงับก็ไม่ได้หมายความว่ากายกรรมหยุดนิ่งไม่เลยคล่องแคล่วด้วยนะคล่องแคล่วเป็นกายปาเป็นกาย ปาคุญญตากายปาคุณญตาหมายความว่ากายคล่องแคล่วเวทนาคร่องแคล่วสัญญาคล่องแคล่วสังขารคร่องแคล่วเพราะกายนี่คือหมวดของเจตสิกธรรมสมคือเวทนาสัญญาสังขารกายนี่หมายถึงเวทนาสัญญาสังขารในพจนานุกรมบาลีเลยแปลไว้เองกายแปลว่าจิตแปลว่าเจตสิกกันเวทนาสัญญาสังขารนี่เจตสิกนะ คล่องแคล่วแปลไม่เองนะว่าคล่องแคล่วอย่างแม่มีกิริยาเก่งเลยคล่องแคล่วไม่จะหยุดระงับคือไม่มีบทบาทนิ่งแข็งทื่อเห็นไหมลึกซึ้งไหมสําคัญไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติผิดจึงกลายเป็นคนเฉยกลายเป็นคนไม่เอาฐานกลายเป็นคนไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่มีการงานไม่ทําอะไรสังคมบันเลยหมดเศรษฐกิจพังสังคมพัง ยิ่งการเมืองยิ่งพังใหญ่เลยโดยไม่เอาแล้วการเมืองไม่เกี่ยวไปนวนเลยนะพังหมดทุกอย่างไม่ต้องขอพยายางยิ่งเลยที่ต้องกล่าวว่าประเทศไทยเสื่อมเพราะอันนี้นี่คือคุณธรรมของความเป็นมนุษย์จากศาสนาประเทศไทยมีพลเมืองมีประชากรนับถือพุทธศาสนาถึง 95% เมื่อคนทั้ง 95% ของประเทศเข้าใจสัจธรรมของชีวิตผิดอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้ไงจะไปโทษใครไปโทษคนออกกฎหมายไปโทษคนบริหารผิดหมดโทษพระโทษผู้นำของมโนปุพังคมาธรรมามโนเศธามโนมยาผู้นำทางจิตวิญญาณหรือมโน สอนมโนที่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงผิดก็เลยไม่เศสถาเศรษฐกิจก็ไม่ปรจเจริญมันไม่จเจริญเสถโถเศสถาในปร ะ, ะเทศเจริญพัฒนาไม่มโนมายาก็เลยเป็นมโนมายาทุกวันนี้มโนกันตลอดเลยมายาตลอดเลยมีแต่มายากันตลอดเลยทุกวันนี้มโนมายากันตลอดเลย มีแต่มายาที่ออกมาจากจิตทั้งนั้นเลยไม่มีความสุจริตใจไม่มีความจริงใจไม่มีปัญญาที่แท้ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีปัญญาไม่มีน้ำใจไม่มีซื่อสัตย์ไม่มีอุตสาหะที่สมบูรณ์แบบเลยนะขอว่าไปที่อาตมาพูดใหญ่พูดหนักพูดอวดอ้างเบ่งยึดกิเกินต้องขอว่าไปจริงๆแต่อาตมาต้องชี้ชัดต้องเชให้เห็นน้ำหนักของความจริง ที่พูดนี่คือชี้น้ำหนักของความจริงแล้วมันใหญ่มันหนักมันหนักที่ไปทั้งไม่ดีด้วยมันก็เลยฟังแล้วน่ากลัวฟังแล้วเหมือนกับตัวเองนี่ใหญ่เหลือเกินอยางนั้นจริงๆนะเอาละต่อเรื่องพอท่านอาณาปานให้ท่านกล่าวถึงตัวบุคคลแล้วก็มีภาคปฏิบัติมรรคก็คือโพธิปักจยธรรมซึ่งเริ่มต้นที่กายกายในกายจนกระทั่งมาจบถึงมรรคองแปดก็จบนะ จบอันนี้เป็นพฤติกรรมถึงจิตสูงสุดนะงากองแปดนิโรกุตระสาแม้ต่อจากนั้นไปท่าน<ล>บอกพอับโลกุตระสาิบหรือโพธิปักขีธรรม3ามสิ<อ>ครับผมถูกต้องทั้งคู่นะครับโลกุตระ3 7ก็คือโพธิปักีธรรม37นั่นเองครับผมบมันมีโลกุตระเ้าแล้วก็โลกุตระสามซึ่งโลกุตระสาก็คือหลักของโพธิปักิีธรรม33ไอ 37ข้อครับผมหลักย่อยของ37ข้อก็คือโพธิปักธิยธรรม37เนี่ยก็คือโลกุตระสาม37แต่นี้ที่พอท่านหมายเมื่อกี้นี้พอท่านต้องการจะสื่อว่าเป็นโพธิปักธิยธรรมหรือเป็นโลกุตระผู้โพธิปักธิยธรรม37บ็ไงบอกว่านี่โลกุตระสาเก็สับไปสับมาอยู่นี่แหละครับผมขยายไปขยายกันมาว่าโพธิปักธิยะธรรมนี้มี3าดข้อย่อยพอเมื่อสักครู่พอท่านบอกว่าโพธิปักิยธรรมสามบวกโลกุตรธรรม9้า กลายเป็นโลกุตระ46โบกมาจากไหนโลกุตระทำเก้นะฮะโบกโลกุตระทำเก้ครับจากโพธิปัคียธรรมส7มสิก็เป็นเป็นโลกุตระ46มีโลกุตระสีก็คือโลกุตระสานี้รวมด้วยกับโลกุตระทำเก้ครับผมอก็เป็นโลกุตระ46น่าจะได้เข้าใจตรงกันแต่เพื่อผมฟังผิดนะฮะก็อาจจะสับสนได้เพราะอันนี้ต้องขอยอมรับว่าตัวเองผู้สับสนบ่อยครนะ ก็ทวงทวงได้ก็ดีตกลงในพระตรปิฎกเล่มที่3 1มสิ่ข้อหกร้อถูกต้องใช่ไหมครับครับผมใช่ๆช่ครับยังจำหน้าอยู่31มสิบข้อหกรี่สิบที่ท่านตรัสถึงโลกุตระ46เนี่ยครับผมซึ่งจะมีโกลกุตระ9ก้าับโลกุตระามสนี่รวมผมจะได้กำหนดหมายไปอย่างนี้ว่าโพธิปักเียธรรม37เนี่ยเรียกว่าเป็นโลกุตราธรรม37ได้ด้วยถูกต้องสิครับผม มามาพท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าโลกุตระสาใช่ครับก็คือโพธิปัจจีธรรมสาิบเจ็ดใช่ครับครับครับขอบคุณพ่อครูครับต่อจากนี้นะนี่คื อ, อผู้ปฏิบัติอาณาปานสติแล้วปฏิบัติใหม้มากคือเริ่มต้นปฏิบัติก็เริ่มต้นปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี่แหละเริ่มต้นปฏิบัติสติปัฏฐานสี่คือข้อหนึ่งของกายในกายโมติปปัติสติปัฏฐานสีก็มีกายในกายเป็นข้อที่หนึ่งเวทนาในเวทนาสอง จินในจิตสมแล้วก็ทำในธรรมสีนี่แหละครับนะเพราะั้นก็เริ่มต้นโลกุตรับปุ๊บก็ต้องเข้าใจกายแล้วก็ปฏิบัติกายในกายให้ถูกต้องนะแล้วจะได้ผลมาเป็นโลกุตระก้าได้ผลมาเป็นโซดาสิกิธาอาคาแล้วก็สุดท้ายได้นิพพานเดี๋ยวแทกนิดหนึ่งครับผมว่าทางฝ่ายจักนำเสนอนั้นใช้อนาปนสติโดยใช้นอเนนเนี่ยน่าจะผิดนะครับพ่อครูครับ อานาอานาถ้าใช้นอนเนก็ใช้ทั้งคู่อานาปกติใช้นอนหนูใช่ไหมครับนหนูก็ได้นอนเนนก็ได้เหรอครับได้ทําไมผมไม่อานาอาปาณะนี่แปลว่าลมเข้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช้นอนหนูก็ได้ใช้อนน้นผมไปเข้าใจว่าอานานอนเนนเนี่ยมันเป็นอานาในลักษณะความหมายก็คือบังคับอะไรทํานองนี้ไม่อันนี้เป็นเป็นภาษาที่ใช้เรียกลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช้นอนหนูก็ได้นอนเน้ก็ได้เรใช้ทั้งสองอย่าง ผมเพิ่งรู้แล้วก็แสดงว่าผมเข้าใจผิดมาตลอดผมเข้าใจว่าต้องอาณาโนูเพียงอย่างเดียวในพจนานุกรมบาลีเข้าได้นะผมก็เข้าใจอย่างนั้นมานะมั่นใจว่าไม่ผิดหรอกอาณาอาณาใช่ได้ทั้งนอนเนียและนอนก็ใช้กันแต่เขียนนอนนู้กันซะเยอะผมจะได้ขอบันทึกไว้ทีนี้ต่อมาจากบุคคลถ้าปฏิบัติอาณาปานสติก็คือปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างสมาธิฐิ เมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานสมาธินี่ก็จะเกิดผลตามโพธิปัจเจธรรมามิหลักนี่แหละเราจะต้องเอามาปฏิบัติเป็นสมปัฏฐาน4ีมีอิธิบาทสีช่วยแล้วก็จะเกิดผลเป็นอินทรีย์ห้าจนจบเป็นพละลหา้าซึ่งอยู่ในฐานบทสูตรหลักคือโพชฌงเจกับมรรคองค์8โพชฌงเจกับมรรคองค์8นี่เป็นทางเอกพระพุทธเจ้า อุบัติขึ้นในโลกโพชฌงเจตจึงอุบัติพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกมรรคองคแปดจึงอุบัติถ้าเผื่อว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกโพชฌงเจตไม่มีมรรคองคแปดไม่มีโพชฌงเจตกับมรรคแดเป็นทฤษฎีหลักที่จะตรัสรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าถ้านอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็นี่ปีแต่ภาษา โพชงเจตก็มีแต่ภาษามรรคองแปะก็มีแต่ภาษาเช่นยุคนี้มีแต่ภาษาคา่าโพชงเจ็ตมีอะไรบ้างแล้วก็ว่าไปไล่ไปแต่ไม่สมาธิปิปฏิบัติไม่เข้าสู่ปรมัติ์ไม่เป็นผลไม่เป็นสมาผลเข้าใจผิดไปหมดกลายเป็นขออาภัยจะต้องใช้คำนีเป็นอริยะเกเป็นอรหันเกกัน แล้วก็หลงเชื่ออริยะเจหลงนับถืออราหารันต์เกกันน่าสงสารจริงๆน่าสงสารข้อภัยนาที่ธรรมาพูนี่มันดูเหมือนมันดูถูกดูดคลคนอื่นจริงๆเลยก็เข้าใจโวหารที่พูดนี่มันเป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นดูเป็นอุปวาโทเป็นปานไปพูดร้ายว่าร้ายคนอื่นนะแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นอนุปวาโทไม่ได้ไปพูดร้ายว่าร้ายแต่เป็นพูดสิ่งที่ร้าย กล่าวสิ่งที่มันร้ายมันผิดมันเลวให้ฟังมันซ่อนอยู่นะไม่ได้ไปกล่าวร้ายไม่ได้ไปเจตนาร้ายไม่ได้มุ่งหมายร้ายไม่ได้ไปทำร้ายไม่มีเลยแต่ต้องการให้รู้ว่ามันเลวร้ายเพราะการะทำผิดแล้วก็ชี้บ่งบอกว่าไอ้ผิดมันคืออันนี้พอผิดขึ้นกล่าวตัวผิดลักษณะผิด ตั้งแต่เชื่อผิดจงก็ตั้งไปปฏิบัติผิดจงก็ตั้งไปได้ผลที่ผิดผิดเป็นอริยเกเป็นอรหันเกนั่นแหละคือมันผิดเราก็พูดความผิดดังนั้นทีนี้พอพูดความผิดดังนั้นมันก็ไปเจอเอาคนที่เข้าใจผิดแล้วก็เอาไปปฏิบัติผิดแล้วไปได้ผลผิดก็ไปยึดถือผลผิดอยู่นั่นน่ะมันเลี่ยงไม่ออกมันก็เลยไปเจอผิดมันก็ไปเจอเอาคนที่ก็ มีผิดทักระบวนการอ่มันก็เลยเออมันรู้จะทํำยังไงนะมันถ้าไม่พูดถึงว่าไม่ให้กระทบใครอ้าวแล้วก็มีมีใครผิดเลยแล้วไปพูดกระทบใครเพราะถ้าพูดผิดมันก็กระทบคนที่ทําผิดถูกพูดออกไปมันก็ไปกระทบคนที่ทําถูกแล้วมันกลายเป็นว่าพอพูดผิดมันไปกระทบคนอื่นพอพูดถูกมันดันมันกระทบตัวเอง เฮ้ยนี่มันยกตนข่มท่านนิวาพิษอีกอาตามานี่มันยากยากจริงๆแต่ก็เอาเถอะเอาที่คนเข้าใจถ้าคนไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยไว้ก็ไม่รู้จะทำไงัตามาจำเป็นที่จะต้องพูดห้ามพูดไม่ได้ห้าม ไ, ไม่ให้พูดอัน น, นี้ไม่ให้บรรยายไม่ให้แจกแจงอันนี้นไม่ได้ขนาดแจกแจงอย่างนี้ยังไม่ปรโตโอโศสะเลยยังไม่ยอมรับฟังอาตามาบ้างเลย ไม่ฟังเสียงอาตมามังเลยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยไม่เอาเลยแล้วเมื่อไหรมันจะสมาธิิฐได้เมื่อไหรจะโยนิโสมานสิการเป็นนะข้ อ, ต, อต่อมาจากอาณาปารสติถึงท่านบรรยายว่าเนี่บุคคลถ้าเพื่อปฏิบัติอาณาปารสติแล้วเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นจะต้องดูกายในกายจนกระทั่งครบองค์นี่มันก็จะพาบรรลุ บรรลุโลกรูธรรมสมบูรณ์เป็นโลกรูธรรม46ครบเลยนะทีนี้ต่อจากนี้มาก็เป็นผู้ประกอบเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอีกสี่เป็นผู้ประกอบเจริญจเจริญเมตตาจเจริญกรุณาจเจริญมุทิตาจเจริญอุเบกขาหมายความว่าปฏิบัติและมันจะมีการุเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรม พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆแม้ท่านจะไม่กล่าวว่าเป็นโลกุตระจะไม่กล่าวว่าเป็นโลกุตระมันก็เป็นเนื้อของโลกุตระเพราะจิตอย่างนี้เป็นเนื้อจิตเจโตเนื้อจิตเจโตเป็นเนื้อจิตแท้ๆที่จะเกิดเมตตาเกิดกรุณาเกิดมุติตาเกิดอุเบกขาก็เป็นโลกุตระนั่นแหละถ้าปฏิบัติโพธิปักธิธรรมสาบเจ็ดถูกต้อง ก็จะเกิดจิตอย่างนี้จริงเกิดจิตอ ป, ปมัญญาสีหรือพรหมวิหารสีนี่อย่างของส ม, มาธิทิอย่างของพุทธถ้าไม่เป็นอย่างของพุทธก็จะเป็นเทวานิยมเป็นพระพรหมที่มีเมตตาพระรมที่มีกรุณาพระพรมที่มีบุติตาและอุเบกขาที่เป็นพระพรหมใหญ่ใหญ่ใหญ่หญนะเป็นพระพรหมใหญ่ แต่ไม่ใช่พรมคือจิตวิญญาณที่ผู้ปฏิบัติรรมแล้วทุกคนจะเกิดจิตพรมนี้ทางนั้นเป็นพร ม, ม ก, กายเป็นพร ม, ม ก, กายเป็นองค์ประชุมของความเป็นพรมในจิตเจตสิกของเราจิตเราจะเกิดเมตตาจิตเราจะเกิดกรุณาจิตเราจะเกิดมุทิตาจิตเราจะเกิดอุเบกขาตามบารามีและเราจะมีพฤติกรรมของจิตตัวนั้นแสดงความเป็นสี่อย่างนี้อยู่ในสังคม เอนจริงเลยพระมโนโปุพังกมาตมาจิตเป็นประธานเมื่อจิตมีคุณธรรมของอปามัญญาสีหรือพรหมมิหารสจิตนั้นก็แสดงพฤติกรรมกายวาจาใจาปีเมตตากายใจกับเมตตาปจีกรรมเมตตามนโนกรรมช่วยคนอยู่เป็นสารณียธรรมหบริบูรณ์บริบูรณ์เท่าที่บารมีมีไปตามลําดับใครมีเท่าไหร่ก็ บ, บริบูรณ์เท่านั้นถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นอรหันต์อรหันต์ถือว่าสมบูรณ์ คนแต่ละขั้นก็ทําให้มันบริบูรณ์ให้มันเต็มรอบไปเต็มรอบรอบของโสดารอบของส ก, กิทารอบอนาคาบริไปว่ารอบก็รอบไปตามลําดับจนกระทั่งครบเต็มก็เป็นสมบูรณ์ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นในในความหมายของทั้งรูปและนามเจโตเจโตนี่จะถือว่าเป็นรูปปัญญาถือว่าเป็นนามนะถ้าแยกออกนะถ้าแยกออก เจโตถือเป็นรูปปัญญาถือว่าเป็นนามสูงขึ้นไปในความหมายที่ลึกฟังให้งงๆไว้ในความหมายที่ลึกชั้นที่สองเจโตจะเป็นเมื่อกี้บอกแล้วนะเจโตจะเป็นรูปไม่ใช่ฮะใช่ไหมเจโตเป็นรูปปัญญาเป็นนามสูงขึ้นไปชั้นที่สอง ปัญญาจะเป็นรูปเจโตจะเป็นนามปัญญาก็คือปัญญาจะมีปัญญาเข้าใจหมดในกระบวนการของโพธิปักกีธรรมสามสเป็นปัญญาแล้วจะได้เจโตพมิหารสี่พมิหารสเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นลักษณะสองปัญญาอย่างหนึ่งเจโตอย่างหนึ่ง ในบางคราวภาวะของเจโตก็จะเป็นอิทธิภาวะภาวะบางคราวเจโตก็จะเป็นปุริสภาวะภาวะที่เป็นเอกกบุรุษแล้วเจโตก็จะเป็นปุริสภาวะปัญญาก็จะเป็นอิทธิภาวะนี่เป็นภาวะสอง อันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องอาจินตายเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะเพราะในภาวะสองต่อจากอุปาธาเมื่เริ่มต้นอุปาทายรูปเริ่มต้นอุปาทายรูปที่มีตาหูจมูกลิ้นกาย5แล้วก็มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอีก5สัมพันธ์กันเมื่อไหรเกี่ยวข้องกันเมื่อไ ร, ก, อ ก, อไรก็จะเกิดภาวะรูปภาวะรูปก็มีสองที่ภาวะกับปุริสภาวะ ก็เรียนสองภาวะนี่ให้มันสมบูรณ์แบบเป็นเอกกระเ บ, บรุษให้ได้ถ้าเป็นเอกกระ บ, บรุนเมื่อไหร่ก็เป็นอรหันต์เมื่อ น, นั้นถ้ายังไม่เป็นก็จะสลับกันไปทีถอยทีถอยสลับกันไปเด็กก็จะต้องเจตัวเป็นเอกเด็กก็ปัญญาเป็นเอกพอปัญญาเป็นเอกทําให้เจตัวเป็นเอกเจตัว <ๆ S 1> เป็นเอกปัญญาเป็นเอกญญเเอก็กลับไปกลับ <ité> มากลับไปกลับมานี่เป็นความรู้ของอัตมาแล้วก็เข้าใจแล้วก็ทํามาตลอดที่อธิบายในอธิบายตามสภาวะด้วยยาน ญาณคือความรู้ของปัญญาญาณไม่ใช่เรื่องไปเล็งอ่านญาณไปอย่างรู้ใจคนไปอย่างรู้อะไระอะไรตาพุทธเื่ออะไรเนี่ยไปอย่างรู้อ่านพยัญชนะไม่ไม่ใช่ญาณนี่คือเข้าใจพยัญชนะไปสู่สภาวะที่อาตมาว่าอาตมาเข้าใจภาษาด้วยญาณที่คนเข้าใจผิดว่าอาตมาบอกว่านี่อาตมารู้ธรรมะพวกนี้โดยญาณหรือว่าแปลภาษาพวกนี้โดยญาณไม่ได้แปล แปลภาษาญานไม่ได้ไหมายความว่ายานนั้นคือเป็นเรื่องลึกลับอะไรที่เป็นบรรลุนบรดาลเป็นญานมันนั่งหลับตาแล้วมันกเกิดยานเองมันไม่ใช่มันมีตัวจริงแล้วมีเห็นมีปัจจัยของมันแม่อธิบายอธิบายไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองอธิบายไม่ค่อยเก่งคุณรู้เรื่องมาไหมอ่ะฟังรู้เรื่องไหมไอ้ทาไมคุณเก่งจังอัตมา ย, ยังว่ารู้สึกว่าอธิบายยังไม่ค่อยจะบริบูรณ์เลยพอจะตามได้บ้างครับ พอ่พอครูครับอพอตามได้บ้างนะใช่ครับเอาใช่ได้เอาเคนี้ก่อนอต่อจากอภิมัญญาสีก็มีอสุภะต้องเจริญสัญญาอสุภะเจริญสัญญาในอนิจจาและเจริญอาณาปานสติอีกสข้อนี่แหละพอทราบข้อที่สเจริญอาณาปานสติท่านก็หยิบอาณาปานสติเป็นหลักฐานในการบรรยายความตามไถยไปเลยขยายอาณาปานสติไปถึง16หลัก บริบูรณ์นะนี่คืออนาปานสติสัมพันธ์กับกายอย่างไรอาตมายิบอันนี้มายืยานยันนะนะอาทีนี้ต่อมากายคตาสติฟังนะกายคตาสติข้อ292เริ่มต้นท่านบอกเกล้นนำสถานที่พฤติกรรมองค์ประกอบในขณะนั้นมีอะไรจะไ้บ้างก่อน จังมากล่าวเข้าเรื่องเมื่ออข้อสอท่านก็เริ่มต้นข้อ2องว่ากายคตาสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจรึงมีผลมากมีอเนกสงฆ์มากลูกกระภิษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ปา่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้า พอเริ่มต้นบรรยายสูตกายคตาสติก็เริ่มต้นเ อ, อ, อ า, าอาณาอาณาปานนัตวิธีอาณาปานนใช่ไหมมาแล้วเริ่มต้นเลยนะเห็นไหมว่าท่าไม่ได้แยกกันเลยท้าไม่ได้แยกกันเลยนะเริ่มต้น ก, กายคตาสติก็หยิบอาณาปานนติมาเสร็จแล้วก็ต่อเนี่พอตรงมันแลเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวรู้ชัดปฏิสังเวที หายใจออกยาเมื่อรู้หายใจเข้ายาก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าออกสั้นเมื่อหายใจหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่ารู้ชัดว่าเข้าสั้นสื่เนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้กองลมทั้งปวงนะท่านก็ไปแปลสัพพกาโยนี่ว่ากองลมทั้งปวงโดยบอกว่าลมนี่มันเป็นกองลมลมมันเป็นหมู่กลุ่มของกองลมคําว่ากองหรือคําว่าหมู่หรือคําว่าองค์รวมคําว่าพวกนี่คือคําว่ากาย สัพภกายสัพภกายอยูท่านก็ไปแปลไปกองลมทั้งปวงสัพพาคือกองทั้งปวงกองลมทั้งปวงจริงๆหมายถึงสภาวะไม่ผิดแต่คนที่เข้าใจยากเข้าใจยากพอบอกกองลมทั้งปวงก็เป็นหมายตีไปกองลมจึงเป็นมหาภูตรูปตัดนามธรรมแต่ถ้าไปทับศับพท์ของท่านเลยว่ากายทั้งปวงแทนที่จะแปลว่ากองลมทั้งปวง กำหนดรู้กายทั้งปวงพวระบาลีชัดๆเลยสัพะกะสพกาโย ο, ไม่ใช่สัพพวาโย ο, ไม่ใช่ ไ, ม, ไ, ม, ชไ ม, ชม่ไม่ใช่เกา ο, ะไม่ใช่ลมไม่ใช่สัพพวาโยสัพพกาโยนะเพราะฉะนั้นถ้าไปแปลงั้นมันก็เลยถามคนนี่แหละคือที่แปลเป็นภาษาไทยในบาลีต่างๆคนที่มันเอียงตรงไปข้างที่ตนเองเข้าใจมันก็แปลเป็นเนื้อหาที่ตนเข้าใจใช่ไหมมันก็เลยออกมาเห็นไหออกมาข้างทิ้งงั้นนั่นหลุดละ หลุดไปทีละนิดทีละนิ ด, ท, นดทีละนิดกองอนิกะก็เลยกลายเป็นเนื้อใหม่หมดอย่างนี้แหละความผิดพลาดความผิดเพี้ยนของศาสนามันไม่เหลือเนื้อแท้กองอนิกะไม่เหลือฤาษีตะโพนอนิกะไม่เหลือตาพิพุทธจตพยากรไว้มันเป็นเช่นนี้เองขออภัยนะอาตมาไม่ได้ไปว่านะแต่ท่านทําอยู่ก็ขออภัยมันไปเลยกระทบท่านบ้างเพราะท่านเป็นผู้แปลอย่างมาอาตมากำลังกล่าวตรงนี้มันก็เลยอย่างนี้ตัวอย่างเพราะความไม่รู้ครบมันก็เลย หลายอันนะท่านทับศัพท์อันนี้ก็น่าจะทับศัพท์ไม่ใช่ทับหรอกกายะนี่ภาษาไทยก็ใช้กันอยู่แต่ต้องอยากให้เข้าใจเพี้ยนสิถ้าไปใช้อื่นแทนเขาเข้าใจผิดเพียเพ้ยนอยู่แล้วไปใช้อื่นแทนเลยก็ยทับสำทับเลยว่ากายนี่ปนแปลว่ากลมนั่นนั้นนะกายนี่ไม่ได้มีน้ำมาทำนะไม่ได้เกี่ยวกับรูปน้ำนะเกี่ยวกับรูปอย่างเดียวนะลมจ่เป็นรูปนะ เป็นวัตถุรูปนะปนภายนอกเป็นมหาพุทธรูปนะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมันก็เลยเพียนเอาละนี่ก็ทักท้วงขออภัยหน้าที่ทักท้วงหลักวิชาการไม่ได้ไปดูถูกดูแกลไม่ได้ไปอะไรแต่ก็เขินใจเข้าใจอยู่เราจะเป็นผู้กําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกเราจะเป็นผู้กําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสําเนียกอยู่ว่าเราจะระ ง, งับกายสังขารปัตสัมพยังกายสังขารังหายใจออกเราจะเป็นผู้ระ ง, งับกาย สงารหายใจเข้าภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพลานนี่คือประเด็นหลักปฏิบัติกายขตาสติเพื่อให้เกิดย่อมละความดำริพลานที่อาศัยเรือนเสียได้ในทันแปลจำนวนไทยซึ่งมาจากคำประโยคภาษาบาลีว่าเยคีหสิตา สรสั่งกับปาเตปะยันตินี่คือบาลีแล้วก็แปลมาเป็นย่อมละความดำริพลานที่อาศัยเรือนเสียได้นี่คือเนื้อหาของจุดสำคัญของการปฏิบัติกายคตาสติเพราะฉะนั้นคุณจะนั่งอาณาปานาสติดำรินั่งตั้งกายตรงดำรงปฏิบัติอาณาปานาสติอยู่ในป่าเขาโคนไม้ที่ไหนก็ดีคุณก็ต้องเข้าสู่ละความ หรือคุณจะมีบทบาทการกายคตาสติมีบทบาทลีลาในข้อต่ตอๆมานี่จะขยายกายคตาออกมาเยอะข้อที่สองก้กประการอื่นยังมีอยู่ใ น, นประการแรกอาณาปานาสติเต็มๆข้อสอง้อยเกบอกประการอื่นยังมีอีกพิสูจน์เดินอยู่เดินอยู่นะไม่ได้ไปนั่งตัง้งกายตรงดํารงสติคงมั่นนะ ก็รู้ชัดว่าเรากําลังเดินและยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งกําลังนั่งกําลังนอนกําลังนอนกําลังทรงกายด้วยอาการใดๆอยู่ก็รู้ชัดหมดทุกอาการนะทุกอาการที่มันมีเดินยืนนั่งนอนมีอิริยาบถอะไรอยู่ย่อมละความดําบริพลานที่อาศัยเรือนเสียได้แม้คุณจะทําอันนี้ก็เหมือนอานาปานติจดหมายคือละความเนี่ยละความดําบริพลานเพื่อที่อาศัยเรือนเสียได้ทั้งนั้น เพราะงั้นในข้อต่อมานี่ท่านก็อธิบายอิเลียบท่างๆของกายองค์ประชุมต่างๆของกรรมกริยาทั้งหลายข้อ2องรอยาิ่งกก่าเอาไปอีกประการอื่นยังมีอีกพิกษุย่อมเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในเวลาก้าวไปและถอยกลับในเวลาแลดูและเหลียวดูในเวลางอแขนและเหยียดแขนในเวลาทรงผ้าสังกติทรงบาด จีวรในเวลาฉันเวลาดื่มเวลาเคี้ยวเวลาลิ้มเวลาถ่ายอุจจาระเวลาถ่ายปัสสาวะเวลาเดินยืนนั่งนอนตื่นอยู่พูดอยู่นิ่งอยู่ภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพลานที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะดำริพลานนนั้นได้จิตอันเป็นภายในเท่านั้นเน้นนะ จิตอันเป็นภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นชัดยิ่งกว่าชัดมีแต่จิตเท่านั้นที่มันนิ่งที่มันปัดส้มพยังจะกายสังขารังจะจิตตสังขารังก็อันนี้เท่านั้นจิตเท่านั้นเป็นตัวภายในเท่านั้นที่มันคงที่มันเที่ยงมันนิ่งมันแน่มันไม่มีกิเลสแล้วมันไม่มีอะไรเป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ในอิริยาบถนั่งยืนเดินนอนอุจารปัสสวะจะเดี๋ยวดูจะเลียกไปขวาไปซ้ายจะงอแขวจะท้งภากติจะทำอะไรทั้งนั้นเนี่ยกายขตาดำเนินไปทางองค์ประชุมทั้งหมดรวมกายขตาคุณก็ทำอยู่ได้อานาปานาสติก็อยู่พร้อมกันในกายขตาแล้วก็สุดท้ายก็ละความดำดิพรานที่อาศัยเรือน ได้ทั้งนั้นจนจิตมันเป็นภายในนั้นตั้งมัน่นคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกคือหมายความว่าประสบผลสำเร็จนั่นเองนี่แหละคือความละเอียดละออที่ไม่ค่อยจะชัดมันมันละเอียดมากเกินคำพีราทุทธสาธุรนุโพธามันมันปลุดไปมันเพี้ยนไปแล้วมันก็ไปใหญ่เลย พระนันตมาพูดไปเถอะท่านที่ถือพระเถรปิฎกเล่มเดียวกันท่านแปลเองอาตมาไม่ได้แปลอาตมาก็นำคำต่างๆจากพระบาลีขึ้นเป็นหลักนับถือตรงกันเล่มเดียวกันมายืนยันท่านอาจจะเข้าใจแล้วใช้ภาษาไทยที่มันหลุดๆเป็นอะไรอาตมาก็ติขอยืนยันมติท่านนะท่านจะว่าอะไรจะไม่ชอบนาตมาทุกนะจิเลศขึ้นนะจะทำจิต มันจะไม่ดีอ่ามันจะกลายเป็นสะอุ์ตรังเอ๊ะมันจะสราคะสะโทสะขึ้นมาไม่ดีนะต้องทําให้เป็นวีตราคะวีตโทสะนะมีภูกระพุรุูกรพุรุอ่อยายายทำให้เป็นสราคะสะโทสะต้องทําให้เป็นวีตราคะวีตโทสะไม่เช่นนั้นมันไม่รวยนะมันไม่รวยนะมันจะซอสโซ มันไม่รวยข้อต่อมาอีกท่านก็ขยายความอีกเลยแล้วก็จะขยายความไปอีกเยอะเลยว่าแม้แต่ที่สุดจะเกิดทั้งบทบาทลีลาประพฤติทางกายจนถึงความรู้สึกจนตั้งแห็งกายนี่แหละมันเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้า ต, ตานิจังแล้วก็เกิดความรู้สึกก็เข้าไปหาจิตเรื่อยๆๆๆๆๆก็ปรองอสุภะปรงองอนิจังข้อที่ท่านตัดไว้ในอาณาปานสติ จเจริญอสุภะเจริญอนิจจะแล้วก็อนนาปานาสติสามข้อท้ายมาอย่างนี้เป็นต้นลำข้อต่อมานี่ท่านขยายของของกายกระตาสติเนี่ยท่านก็ไล่มาถึงอาการ32ทั้งนั้นเลยมีองค์ประชุมของทุกอาการไม่ว่าจะองค์ประชุมตั้งแต่กายากายนี้มีอยู่ในกายนี้ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกเยือย่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืด ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาการอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลตน้ำเหลืองเลือดเงื่อมันค้นน้ำตาเปเลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดอันนี้ท่านตกขับตัวหนึ่งไปไม่ถึง32ตกสมองในพระแต่เป็นโรคเนี้ตกสมองนะฉบับอื่นอาจามาเ็ไม่ได้ตรวจ ด, ดูแต่ฉบับนี้บอกอาการ32นี่ตกสมองก็เลยมีแค่31อก็ขอเติมหน่อย เติมให้มันเต็มขาดคว่าตกคำว่าสมองจึงจะครบ32นี่คืออาการของดินนม้มไฟลมที่สังเคราะห์สังขารกันอยู่ในความเป็นร่างกายและจิตใจของมนุษย์เพราะฉะนั้นคุณจะเอาอาการทั้ง32นี้ตั้งแต่อาตมาขยายความละเอียดลงไปแล้วว่าผมขนเล็บฟันผิวหนังอาตมาเคยอธิบายแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่กาย แต่ยอมรับว่ากายเพราะมันติดกันอยู่กับร่างแต่ในรายละเอียดแล้วปภาษาทารูปอัตมาอธิบายแล้วว่าประสาทคุณเมื่อไม่เข้าไปทํางานร่วมกับผมขนเล็บฟันผิวหนังตรงไหนตรงผมขนเล็บฟันหนังผิวหนังผมขนเล็บฟันผิวหนังตรงไหนที่ประสาทประสาททรูปเนี่ยมันไม่เข้าไปทํางานร่วมแล้ว อันนั้นไม่นับว่ากายกายต้องมีจิตวิ ญ, ญญาณเข้าไปร่วมก็อธิบายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นในการเข้าใจเรื่องภาษาทรูปกับโครจรรูปสองอันนี้ภาษาทรูปห้าโครจรรูปห้าเนี่ยรวมแล้วมันเหลือ9ก็เพราะว่าผัสสะกับกายกายกับผัสส ะ, ะตาหูจมูกลิ้นกายกับรูปลดกลิเสียงผัสสะหรือสัมผัส รือพ ธ, ธิภพสองอันนี้เนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ตาหูจมูกลิ้นทั้งหมดเนี่ยมันคือกายและถ้ามันหูตาจมูกลิ้นมันไม่ทํางานโคจระมันก็ไม่มีพัรษะแม้มีพัรษะแต่มันไม่ทํางานของประสาทมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นตัวไอ้กายกับโพ ธ, ธิภพเนี่ย มันจึงเกิดกึ่งๆถ้ามันไม่ทํางานร่วมกันไอ้สองตัวนี้ไม่มีโพิตภัณฑ์ไม่มีกายไม่มีก็มีแต่ตาหูจมูกลิ้นมีแต่รูปรสกลิ่นเสียงรูปเสียงกลิ่นรสเท่านั้นเพราะมันทำงานร่วมกันเรื่โคเจระดําเนินไปและ ว, วิสัยวิสัยรูปมันดําเนินปุ๊บขึ้นมาเมื่อไหร่มีการ ระหว่างเหตุปัจจัยมีเหตุกับปัจจัยทำงานร่วมกันถ้าขาดเหตุปัจจัยแล้วธาตวิญญาณหรือธาตุรู้เกิดไม่ได้เพราะฉะต้องสัมพันธ์กันเกิดธาตุรู้เกิดวิญญาณตัวมโนโปุพังนี่แหละตัวนี้อะไรต้องเรียนตัวเนี้เพราะการจะเข้าใจห้าตัวสองห้าเนี่ยภาษาธรูปห้ากับโคจรรูปอีกห้าทำงานร่วมกันแล้ว กลายเป็นอุปาทายรูปที่ต้องตัดทิ้งเป็นหนึ่งแทนที่จะเป็น10ห้ากับห้าห้าบวกห้าเป็น9คนก็ต้องงงทีเห็นไหมนี่คือความเป็นพิเศษของสภาวธรรมที่ลึกซึ้งอาตมาไม่เก่งเท่าไหร่นะอธิบายยากทุนี้พอเข้าใจไหมอาตมาก็เก่งที่สุดแล้วนะพยายามเก่งอธิบายให้ดีที่สุดแล้วเนี่ย ไม่ง่ายใช่ไหมที่จะเข้าใจน่าเห็นใจเห็นไหมหลายคนศึกษาอาตมาวาผู้ศึกษาอภิธรรมศึกษาเลยท่านศึกษาตรงนั้นแหละแต่ท่านจะเข้าใจอย่างไรแต่อาตมาอธิบายนี้ด้วยญาณของอาตมาที่เข้าใจสภาวะธรรมมาแต่ปางในก็แล้วแต่ปางนี้อาตมาไม่ได้เรียนกับใครหรอกพูดและแม้อวดดีอวดตัวอวดตนมันเป็นเงนั้นจริงๆอาตมาพูดความจริงตรง น, นั้นเองจริงใจ นะไม่ได้ไปอวดจยากอวดอะไรแต่ว่าผู้นี้รู้ว่ามันมันมันต้องทําอย่างนั้นน่ะแล้วก็เพราะอย่างนั้นเพราะอาตมามีอย่างนี้แล้วก็จริงใจอย่างนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าไม่ผิดนะแต่ไม่เก่งอธิบายได้เท่านี้ใครพอเข้าใจได้กับแหมอนันโมทนาสาธุนะมันไม่ง่ายจริงๆรินะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในอาการ32นี้ก็ตามนะรวมแล้วก็ต้องเข้าใจรายละเอียดถึงแม้จะมีครบอาการ32ทํางาน ร่วมกันอยู่ีทั้งธาตุดินน้ำไฟลมเป็นรูป28เนี่ยมันก็กายกับจิตหรือรูปกับนามทำงานอยู่เนี่ยนะเพราะงั้นเมื่อมีกายกับรูปทำงานขึ้นมามีนามคุณก็เรียนรู้หลักงานหลักที่ทำก็คือตัวจิตตัววิญญาณตัวธาตุรู้ที่มันมีอะไรไปตัวเป็นตัวการ ล ะ, ละตัวนั้นข่าตัวนั้นกบจัดตัวนั้นจึงจะเกิดปัจัมพยังกายสังขารังปัจัมพยังจิตสังขารังในสมบูรณ์จึงจะรู้ว่าสังขารกายเป็นเช่นนี้สังขารจิตเป็นเช่นนี้ผู้ที่ปฏิบัติเบื้องต้นเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีก็เรียนรู้การปฏิบัติกายสังขารัง องประชุมทั้งข้างนอกทั้งหมดเลยเกี่ยวข้องทั้งตาหูมจมูกรินกายเกี่ยวข้องทั้งดินน้ำไฟลมที่จะเกิดการสัมผัสัมพันธ์กันทั้งหมดตัวดินน้าไฟลมมหาภูต ร, รูปนะ่ะมันไม่มาร่วมเป็นกายหรอกแต่มันก็มีเนี่ยเมะละกอลูกโตโตนี้เนี่ยแม่เมื่อกี้เรถามแล้วใครเป็นคนนามานึกว่าคุณสักดาที่ชอบไปหาซื้อของ ใ, ใหญ่ๆโกโกสวยๆหรูๆมาให้โชว์เลย ก็นึวกว่าสักดาเขาบอกไม่ใช่บอ ก, กเอามาจากสวนของน้อยเขางั้นเอ้าดีเรยดีเลยสวนของน้อยเหรอแล้วไอ้ที่สวนของน้อยเนี่ยมันก็ชาวโสงเนาะใช้ปุย๋ยกอนงามมันเปล่าวะก็เคยบอกว่ายาเนี่ยยังไปใช้ปุย๋ยก้อนงามนะคืนไปใช่ปุย๋ยงอกงามแล้วมันปลูกแล้วมันจะได้ลูกอย่างเงี้ยไปใช้เข้านะแบแล้วมันก็หนักไงอันนี้คือ<ล>สัจจะย้อนสภาพ <laughs> สัจจะย้อนสาภาพตรงที่ว่าชื่อเนี่ยน้อย แตปรากฏว่าปลูกไม้ออกมาเนี่ยใหญ่ลูกโตลูกใหญ่ลูกโตนะจริงจริงธรรมะโลกุตระก็ดูจะเป็นทํานองนี้กํามังพ่อครูใช่ใช่อัตามาคำนวณยกตัวอย่างว่าเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นมหาพูทธ ร, รูปอยู่ข้างนอกครับมันไม่มีวิญญาณนะยิ่งโตอยงี้มันก็อยู่ข้างนอกไม่มีวิญญาณแต่แล้วก็กระสับกระต๊ะดีไม่ดีจิตเรานี่เยเป็นตัวการไม่โตตัวนี้เนี่ยมันน่าเคลียทิ้งจังอ จิตคุณนะโตไม่เกี่ยวเลยไม่ยุ่งอะไรเลยครับแต่มันต้องมีให้คุณกระทบมีให้คุณสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องเพราะมหาภูตารูปสี่ก็คือส่วนหนึ่งของรูปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเริ่มต้นจะเกี่ยวข้องจริงๆก็มีภาษาธรูปโคจรรูปเริ่มต้นเข้ามาเรื่อยๆรื่อๆถ้าเข้าใจกระบวนการของพฤติกรรมของจิตมนุษย์ที่มันเกิดกิเลสที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์ที่มันเกิดเรวเกิดชั่ว แล้วเกิดดีเกิดไม่ดีอย่างนี้มันก็อยู่พวกนี้ทั้งนั้นแหละศึกษาถ้าศึกษาไม่ครบไม่บริบูรณ์มันก็ไม่บริบูรณ์แล้วมันเริ่มต้นตรงนี้กายนี่แหละเห็น ไ, ไหมเพราะงั้นแม่เป็นอาการ32ก็คือย่อมละความดำริพลานที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำริพลานนั้นได้จิตอันเป็นไปแผ่นเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่ง เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมัน่นดูกระพิสุทธังหลายแม่อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าเจริญกายขตาสติเห็นไหมก็มาทาที่จิตจิตทําตั้งแต่ตนอ น, น, นอาณาปา น, น, นสตินั่นแหละไปอีกท่านกับพิจารณาไปให้พัจนาโอ้โหนี่ธาตุดินน้ามลมไฟมหาุทธรูปแล้ว ก็ให้พิพจารณาท่านดินน้ำรถไฟเกี่ยวข้องอย่างที่อาตมาพูดแล้วตดินดินดน้ำนี่ไฟลมเนี่ยเป็นบรรุรการมันไม่มันก็ดินน้ำรถไฟแต่มัน ม, มีวิญญาณมันมีแค่ผีชะผีชะนิยามอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะท่านก็ให้สรุปลงว่าก็ต้องละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียนได้แม้มาที่ป่าชาเห็นศพกีณีข้อต่อไปอันตายด้วันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างขึ้นพองบ้างเขียวช้ำบ้างอะไรอะไรเนี่ยนะ มันก็ต้อง เ, เห็นอย่างนีนะ้เราก็ไม่ประมาทที่จะอ่านจิตมันเกิดความรังเกียจใช่ไหมมันเกิดความรังเกียจคุณก็จะต้องทําใจหัดใจอย่าไปติดใจในเรื่องความรังเกียจอาการมันลึกขึ้นแล้วตอนนี้เข้ามาหาจากรูปที่กระทบสัมผัสมาศบเน่าศพเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรแต่อะไรมาสุดท้ายก็คือทําให้ละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได้ เหมือนกันอีกข้อต่อไปอีกทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะของศพที่ฝูงกาจิ ก, กินฝูงแดงจิ ก, กินนกทักกลุมจิกกินนุสุนัขป่ามากัดสัตว์เล็กสัตว์น้อยคําามาฟอนมาเาะใส่ฟอนกินนะเหมือนกันหมดก็ต้องปฏิบัติในความเพียรเพื่อละความดำริพลานที่อาศัยเรือนเสียนได้แม้ข้อต่อมาอีกก็เหมือนกันนะ แยกทาตไปเลยนี่กระดูกก ร, กระจายไปกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกสันหลังรกระจายไปหมดแล้วอะไรกแ็แล้วแต่ลักษณะพวะนั้นใด้เห็นความไม่เกาะกลุ่มความไม่เป็นตัวตนความไม่เป็นอยู่หนึ่งมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมีอนิจจังมีอนัตตาอยู่ในตัวหมดเลยโดยอาศัยรูปที่จะต้องเกิดปัญญายาณว่าอ๋อพวกนี้มันอนัตตาพวกนี้มันอนิจนนนจังและมันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเป็นการ เกิดปัญญายาณที่มองภาพนอกสภาพข้างนอกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็มาอ่านอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จิตจิตมันยึดความรักจิตมันยึดความชอบจิตมันยึดความชังมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเมียนกันละอันนี้สินี่ละอันนี้สิได้เป็นเรียกว่าความพลานเรียกว่าความดำริพลานที่อาศัย เรือนอาศัยเคหะอาศัยคูหาอาศัยคูห้าสยางหรือเคหะอันนี้อยู่นี่กายาวานนะคือกล้องสอกพร้อมสัญญาและใจนี่นนี้นี่ น, นี่ละอันนี้ต่างหากอันนั้นก็เป็นลักษณะเดียวกันมันไตรลักษณ์เหมือนกันแต่ปัจจัตลักษ์ไอไตรลักษณ์นั้นเป็นสามั ญ, ญลักษณ์คนตามีหูมีเห็นว่ากย่างเปลี่ยนแปลงเห็นอะไรอันนี้จัง เห็นอะไรทุกขังเห็นอะไรอนัตตาได้มันไม่เป็นตัวตนหรวันหนึ่งภูเขาลูกนี้สักวันหนึ่งมันก็เตียนอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ามันอาจจะอีกล้านล้านลปีเลยมันถึงจะเตียนได้ภูเขาลูกนี้อะไรเงี้ยหรือต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างเงี้ยอะไรอะไรแต่มันก็เดาไปได้อะไรไปได้หรือเห็นคาตาเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่นี้เลยดินนี่มันละลายเป็นแก๊สไปแล้วน่ะน้ำเนี่ยละลายเป็นแก๊สไปแล้ว อะไรเี้มันก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นอา น, นิจจังทุกครั้งอนัตตาทั้งนั้นแต่นั่นก็ลักษณะไตรลักษณ์สามั ญ, ญลักษณ์ทั้งนั้นส่วนปัจจัตลักษณ์ลักะสามที่เป็นปรมัติจิตคุณทั้งหากเราที่คุณจะเรียนรู้ว่าเป็นความอานิจจังทุกครังอนัตตาอะไรที่มันทําให้เกิดทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์แล้วอา น, นิจจังก็ไม่มี อนัตตาก็สมบูรณ์ไม่มีตัวตนนั้นอ น, นิจจังก็ไม่เหลือแล้วจึงไม่เกิดชาราไม่เกิดมรณะเพราะจบชาติชารามรณะศูนย์จิตนะชาติชารามรณะไม่มีชาติไม่มีชารามรณะที่จะต้องมาตายอีกก็ไม่มีแล้วจิตนะจิตตัวไหนจิตตัวที่มันเป็นตัวการตัวสมุทยัย ละเอียดขึ้นไปมาแบบนี้ก็เรียกว่าอารณะเลยใช่สุดท้ายก็อารณะใช่มรณะเพราะว่าตายไปสิ้นแล้วเพราะว่าตัวมรณะเนี่ยคนโดยทั่วไปเข้าใจว่าเป็นความตายทางกายเนื้อชแต่ส่วนอารณะเนี่ยเป็นความตายของกิเลสในจิตวิญญาณใช่เพราะฉะนั้นจะเป็นอันอื่นที่อธิบายต่อไปอีกอื่นอื่นทั้งนั้นเลยพอเข้าสู่ข้อสามร้อ เดี๋ยว ก, <ส>ก่อนจะถึงข้อนั้นผมถามพ่อครูหน่อยนะครับเท่า<ส>ที่พ่อครูอถาธิบายพระไตรปิฎกเล่ม14 <อ>ถูกต้องนะครับ<อ>พระไตรบีดกเล่ม14บสี่ข้อสองและสองร้เกี่มา่ยโดยอ่านเกี่ยวกับเรื่องอานาปานสติสูตร<อ>ออผมฟังดูมีหลายตอนที่กล่าวถึงเรื่องแน่นอนออย่อมละความดําริพลาดที่อาศัยเรือนเสียได้อ แล้วต่อจากนั้นก็ที่บอกว่ามีทำเอกผุดขึ้นผุดขึ้นคงที่นิ่งนิ่งนิ่งนะฮะผมผมผมฟังแล้วผมรู้สึกอยู่ในผมฟังแล้วผมรู้สึกอยู่ในใจว่าตั้งมั่นเนี่ยเข้าใจว่ามีความหมายในเชิงบวกแต่นิ่งนี่สินิ่งส่มันนิ่งเลยมันไม่มีกระดุกระดิกแล้วมันไม่มีอะไรมากระดุกระดิกแล้วไงเป็นธาตุจิตนะไม่ใช่กายไม่ใช่ดินน้ําใช่ครับเป็นธาตุจิตนิ่งนี่แหละ ผมได้ยินพาอครูอธิบายอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวว่าจริงๆ จ, จ, จิตนิ่งเนี่ยมันเป็นฤาษีเป็นฤาษีถ้า<ด>มันอง์งรวมแต่ถ้าตัวจิตตัวที่มันนิ่งเพราะเป็นขยายความอธิบายตัวตัวการที่มันทำให้วุ่นทำให้ไม่นิ่งเนี่ยมันหมดแล้วลัวก็เลยจิตตัวนี้ก็เลย นิ่งจากไอตัวนั้นแล้วตัวนั้นไม่มีเข้ามากวนแล้วนั่นแปลว่าจิตนิ่งในความหมายที่พรอครูอ่านจากพระตรบีดอกนี้ไม่ใช่จิตนิ่งไม่ได้อบบัลีมานะนี่ไม่ได้คนบัลลีมาไม่ใช่จิตนิ่งโดยที่จิตไม่มีการไม่มีสังขารนิ่งเป็นกายยปาคุณยตากายยปาคุณยตาเป็นจิตที่คล่องแคล่วเวทนารก็คล่องแคล่ว ัญาก็คล่องแคล่วสังขารก็คล่องแคล่วใช่ครับนั่นคือเจตสิกของวิญญาณพราะวิญญาณนี่แหละยอดคล่องแคล่วนั่นน่ะสิผมบอกว่าจริงๆมันจะต้องมีเวทนามีสัญญาและก็มีสังขารคร่องแคล่วเลยแต่นี้ถ้าเกิดว่าคนไปเข้าใจว่าจิตนิ่งเนี่ยก็คือเวทนาก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีถ้าจิตนิ่งในความหมายที่ว่านั้นท่านถึงไม่ได้ใช้ว่าไม่มีไงใช้ใช้ว่านิ่งใช้ว่านิ่งเฉยๆใช่ไหมครับไม่ใช้ว่าไม่มี มัน<ผ> ม, มีเวทนาสัญญาสังขารไงครับผมแต่มันนิ่งเพราะมันไม่มีอะไรกลวนกวนแล้วมันสงบแล้วมันปัดสัมพยังและมัระ ง, งับได้แล้วคือนิ่งจากตัวการก่อกวนนะั่นแหะถูกต้องอนิ่งจากกิเลสผมผมไปประทับใจที่พ่อครูพูดเมื่อสักครู่เนี่ยโดยผมก็นึกไม่ถึงเลยทีเดียวว่าพ่อครูจะนําศัพท์นี้มาเรียนศัพท์คําว่าสัพพกาโย ο, โดยนําคําว่าสัพพวายโยมาเป็นคำตั้งคําถาม แล้จริงๆมันควรจะเป็นสัพพะวายโยนะฮะคือแปลวล่าวกองลมทั้งปวท<ช>ี่เขาแปลว่ากองลมทั้งปวงมันน่าจะเป็นสัพพะวายอยแต่นี้ปรากฏว่าพอแปลสัพพะกายโยวเป็นกองลมเนี่ยมันก็เลยทําให้เคว่เลยทำให้เก๋ไม่เกี่ยวเนื่องกับจิตไ ม, ไม่เกี่ยวเนื่องกับจิตฮะไม่มันไม่เกี่ยวเนื่องกับจิตมันก็เลยเป็นนึกถึง สัพพาโยเลยพระมหาพุทธรูปครับผมใช่ไหมผมฟังแล้วรู้สึกมันทําให้เข้าใจคําว่าสัพพกาโยชัดเจนขึ้นว่าที่เขาแปลเพียงแค่นั้นเน่ยมันก็เลยหลุดออกไปครับผมเพราะกาโยมันขาดจิตไม่ได้ใช่ครับแต่ไปถึงวาโยมันไม่มีจิตแล้วครับผมมันก็เลยที่บอกว่าย่อมละความดํำริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้เนี่ยผมนึกถึงคําที่พ่อครูมักจะนําคําของพระพุทธเจ้ามาเสนออยู่เนืองๆนะ ที่บอกว่าเคหะสิตะ ah เวทนานะถูกต้องอคือเวทนาที่อันนี้ก็ใช้เคหะใช้เคหะใช่ไหมครับอ๋ออันนี้แหละที่บอกว่าละดําเรดพ่านอาศัยเรือนอ่ารก็ใช้คําว่าเคหะครับผ ม, มเพราะฉะนั้นจิตอันเป็นภายในเท่านั้นที่คงที่เที่ยงนิง่งแต่เป็นความนิ่งจากกิเลสไม่ใช่นิ่งโดยที่จิตเนี่ยไม่มีความคิดนึกไม่มีความคํานึงใดๆ a, นะเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะต้องมีตัวประกอบ เวทนาสัญญาสังขารซึ่งจริงๆกายก็คือเมื่อกี้พ่อครูพูดเป็นประเด็นว่ากายเนี่ยคือเวทนาสัญญาและก็สังขารใช่เป็นองค์ประชุมซึ่งเป็ น, เ ป, นเป็นหมวดแต่ละหมวดหมวดเวทนาหมวดสัญญาหมวดสังขารเรียกว่ากอง<ม>เรียกว่ากองหรือหมวดหรือ ก, กายนี่แหละเป็นหมวดปว่ากองเปหมวดองค์ประชุมของเวทนาองค์ประชุมของ สัญญาออมปรมของสังขารครับผมถ้าเช่นนั้นผมจะได้กําหนดหมายตามนี้นะครับพ่อครูครับว่าคงที่เที่ยงนิ่งเนี่ยหมายความว่าจิตคงที่เที่ยงนิ่งจากตัวการก่อกวนอันคือกิเลสแต่จิตก็ยังคงทํางานอยู่จิตก็ยังคงมีธรรมชาติเป็นธาตุรู้เต็มร้อยอผมไปชอบถ้อยคําที่พ่อครูอธิบายความแตกต่างของคําว่า บริบูรณ์กับสัมบูรณ์ อ, อันนี้เป็นเพชรเม็ดใหญ่เลยนะเราฟังมาตลอดเออบริบูรณ์แล้วสัมบูรณ์เขาได้ไปหมดแล้วเพชรเม็ดใหญ่ะครับผมเราตั้งราคาแพงแพงครับผมเพชรเม็ดใหญ่เพชรเม็ด <c oughs> ใหญ่ก็ต้องทําการจับกลุมกันอยู่พอสมควรนั่ะตอนนี้พวก <c oughs> พวกเราฟังนิดหนึ่งก่อนที่พ่อครูจะเข้าสู่ประเด็นต่อไปเนี่ยบริบูรณ์กับสัมบูรณ์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไร <c oughs> ที่พ่อครูอธิบายมาเมื่อสักครู่เนี้ย บริบูรณ์เนี่ยเป็นความสมบูรณ์ในเชิงย่อยเป็นความสมบูรณ์แต่ละรอบูรณะเต็มเป็นความเต็มในส่วนย่อยสสตแต่ละรอบแต่ละรอ บ, แ ต, รอบแต่สมบูรณ์เนี่ยเป็นความเต็มรอบหมดเลยทีเดียวพูดก็พูดเถอะสมบูรณ์เนี่ยคืออรหันต์แต่บริบูรณ์เนี่ยคืออรหันต์ในโสดาอ่านี่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งอรหันต์ในสกทาคา เป็นความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งอารหันในอนาคาก็โทษเป็นความบริบูรณ์ในระดับหนึ่งอารหันในอนาคาเนี่ยเป็นความบริบูรณ์ในระดับนี้แต่ถ้าอารหันในอารหันเนี่ยเป็นความสมบูรณ์ที่พ่อครูอธิบายมาผมเข้าใจตามนี้ผิดพลาดไหมครับคือความหมายของบริบูรณ์กับสมบูรณ์เนี่ยมันมีนัยยะลึกซึ้งมีนัยยะสำคัญที่ยิ่งกว่ากัน ครับผ ม, มคือความยิ่งกว่ากันอยู่คือหมายความว่าสมบูรณ์เนี่ยจะยิ่งกว่าบริบูรณ์ใช่ถ้าอ ส, ม, สมบูรณ์นี่ไปใช้ต้องให้ใช้ยิ่งกว่าความยิ่งกว่าบริบูรณ์ทุกทีครับไป น, นี่มนพ่ะครูต่อครับนี ม, น, มนครับทีนี้ก็ขอสรุปตรงนี้ว่าเมื่อปฏิบัติอย่างนี้แหละที่มันจะละความดั่ริพลานที่อาศัยเรือนเสียได้นี่ก็เพราะว่าปฏิบัติแล้วจะเกิดผลเกิดลําดับ เกิดทั้งก็ไล่มาแต่ข้อ3ามสองนี่ก็จะไล่มาเรื่อยๆมามันก็จะเกิดจากข้อ3ามสองมานี่อธิบายถึงเหตุปัจจัยที่เป็นวัตถุรูปมาหมดแล้วประกอบพอามศูนสองเนี่ยประการอื่นยังมีอีกพิสุสังกัดจากกามตอนนี้เข้าถึงจิตละมีแต่ในจิตละพิสุสังกัดจากกามสังกัดจากอากุศลธร ร, รมเข้าปฐมฌาน มีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอยังกายนี่แลให้คลุกเคลา้าบริบูรณ์ทราบซรานด้วยปิติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไรๆแห่งกายทุกส่วนของเธอที่ปิติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้อง นี่คือลักษณะของการทำอภิปโมทยังจิตตังให้แก่จิตอภิปโมตคือจิตที่มันสดชื่นเบิกบานร่าเริงอภิปโมทยังจิตเบิกบานร่าเริงจิตรื่นเริงจิตมันไม่ได้หงอเหียวเพราะปิติก็มีสุขก็มีแต่ถ้าปิติมันเป็นก้อนแรงเรียกว่าอุเพงคาปิติอุเพงคาปิตินี้ก้อนแรงใหญ่เลย ถ้าอกกันติกาปิติมันก็กําลังสะสมตกผลึกลงมาเรื่อยๆถ้าปล่อยให้มันตกผลึกปิติตกผลึกสุขมันก็จะเป็นก้อนใหญ่ท่านไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นท่านให้เมื่อเราเกิดปิติก็ดีก็สลายปิติเมื่อมันเกิดสุขก็ดีก็ให้สลายอาการอาการทางจิตนะในลึกซึ้งนะอย่าไปเกาะติดอย่าไปสะสมอย่าไปสะสมให้มันแหมยิ่งโอ้โหมันอร่อย ดุนเรงบันเทิงชอบใจมันอย่างที่สะสมกัทุกวันนี้ครอบงาทางความเกียดเกลียดทุกวันนี้เนี่ยคอยดูสักวันหนึ่งนี่มันเตะลูกเข้าโก้สักครั้งหนึ่งนี่นะในชีวิตมันเตะเข้าโกไม่ได้สักทีเลยนะไอ้ดาราเตะบอลสักคนเนี่ยหรือว่าแม่มันเตะไม่ได้มันเตะได้เนี่ยมันจะชื่นใจมากจะชอกตายคาสนามทักวันมีแล้วครับเมื่อเร็วๆนี้ครับเอาเลยครับปรากฏว่าพอ เตะลูกเข้ากอได้นี่ดีใจมากตีลังกาคอหักเลยมันคอหักตายไม่ใช่ช็อกนั่นแหละแค่คอหักตายนนตา ย, ตายแต่ตายจริงๆนี่คือโอเงปงคาพิติพิติที่มันสะสมจนเ ต, ต้องต้องแรงนี่มันถึงจะถึงใจมันถึงจะสุดยอดมันถึงจะคลาแม็กซ์ถ้าไม่เช่นนั้นมันไม่ได้พอคลายแม็กซ์ก็เหมือนกับพวกตายคา อ, อกก็แหละคลายแม็กซ์ก็ตายคา อ, อกเลยช็อกหมดพลังงานเลยปันสปาร์ก พลังงานเข้าไปผลักดันเลืเลอดสมองไปเลี้ยงสมองไม่ได้ขาดชอดเลยตายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์นะที่พูดนี่อาตอมาพูดนี่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะและไปสั่งสมมันมาทำไมมากมายมันเป็นอารมณ์เปล่าๆไดๆสูญเสียแรงงานทุนรอนเวลามนุษย์ชาติ โอ้เอามาเก็บขยะยังมีประโยชน์จะกว่าเนี่ยมีการขึ้นภาพด้วยบรรยากาศด้วยที่เตะลูกเข้าโกลแล้วก็ตีลังกาจนกระทั่งตัวเองตายอ๋อเอาภาพนี้มาเลยนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เขาเก็บไม่ได้นั่นน่ะคอหักตายใช่ครับนั่นน่ะัเออนั่นน่ะมันมันไม่ใช่แค่นี้คอยดูจะมีเลยช็อกตายช็อกอาการไม่ต้องไปถึงคอหักตายมันจะมันคือมันสร้างนน่ะ เออนั่นแหะผิดพราดขอหักตายเห็นไหมเป็นความสิ้นเปลืองเป็นความศูนย์เปล่าศูญย์เปล่าคือเขาไม่เข้าใจที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสุขนี่มันเป็นเท็จมันเป็นอารมณ์หลอกครับแนะมันเป็นมายาในโลกเป็นอัตตาที่เป็นมายาคําว่าอัตตาที่เป็นมายาเนี่อัตมารเรียบเปรียงเอาไว้นะเอ๊ะมันหล่นอัตตาที่เป็นานะมายาครับผม อาตมาขออ่านเรียบเรียงไว้อันนี้รู้สึกว่าอาตมาเรียกเรียงได้พ อ, พอฟังอัตตาคือมายาของชีวิตถ้าไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงชีวิตรูปของอัตตาแล้วดับชีวิ ต, ตินทรียีของอัตตาให้หมดสิ้นได้จริง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 ก็ไม่สิ้นมายาในชีวิตฟังแล้วก็เอาไปศึกษาดูอาตมาว่าอาตมาพยายามเรียบเรียงสภาวธรรมที่มันลึกซึ้งพวกนี้จริงๆเดี๋ยวพ่อครูผมน<พ>ิดเดียว ถามนิดหนึ่งผมจะต้องต อ, <ะ>ตอบยาวนะสงสัยถามสั้นๆนิดเดียวไอ้ถามนั่นแหละไอ้ถามนิดเดียวเนี่ยมันมันจะต้องตอบอยาวเดิมตรงที่บอกว่าอัตตาเป็นคือมายาของชีวิตเนี่ยฟังเข้าใจฮะแต่ที่พ่อครูอถธิบายในหลายที่ผมก็อ่านหนังสือแต่เอากระทั่งได้ฟังที่พ่อครูเทศอยู่บ่อยๆถ้าไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงไนะ ผมอยากจะให้พ่อครูแยกความแตกต่างของคําว่ารู้จักรู้แจ้งรู้จริงเนี่ยสั้นๆนะนะฮะให้เห็นว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนบางคำไม่เก่งนะเนี่ยบางคบไม่เก่งใหอธิบายสั้นๆแล้วให้รู้ด้วยให้เข้าใจด้วยอธิบายยาวๆยังไม่ใคยจะรู้เลยบางคำไม่อธิบายสั้นๆด้ยให้รู้เอาละเอายอมจำนวนบังคับกันก็ทํารู้จักหมายความว่ามันเกิดสัมผัสมันเกิดกระทบมันโอรู้จักแล้วนี่ไงนีได้สัมผัดกันมา ถ้าเชิญกันมานี่รู้จักพอรู้จักแล้วได้ศึกษากันก็รู้แจ้งศึกษากันเ อ, อ, อเข้าใจโอ้แจ้งขึ้นสว่างขึ้นได้ครบขึ้นได้รายละเอียดมากขึ้นมันก็รู้แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจนสุดท้ายจบรู้จริงรู้จริงจริงแล้วมันเป็นความจริงแล้วไม่ใช่แค่ความจํา จริงถ้าถ้าเช่นั้นจะเป็นจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับรู้จักเนี่ยเป็นการกระทบกับพันธะของจริงต้องมีสัมผัสถ้าไม่มีของจริงไม่มีสัมผัสครับผมเช่นความจําคุณไม่มีสัมผัสคุณจะนึกขึ้นมาเมื่อไหร่คุณไม่มีเลยตาหูจมูกลินกายคุณไม่ทําเพราะฉะนั้นของจริงพระพุทธเจ้าจึงให้ปฏิบัติมีของจริงคือมีกายมีตาหูจมูกดินกายมีภาษาทรูปจึงจะเรียกของจริงเป็นโสดารด กิเลสอบายอภยอพบแต่ก็อยู่เกิดโลกอบายยังมีอยู่สัมผัสอยู่ตามหูจมูกลิ้นกายก็เห็นอบายสักกิทากรลดกามมพบไปตามําดั บ, ดบเป็นอนณาคารหมดกามมพบก็ยังมีตามหูจมูกลิ้นกายอยู่ ก, กามมพบแต่กิเลสไม่มีแล้วไม่เกิดแล้วนั่นคือความจริงของจริงยุ่ ก, กามมพบก็ยังสัมผัสความจริงอยู่ไม่ใช่เรื่องของความจําและกิเลสหมดแล้ว ก็มีความจริงอยู่ตามหูจมูกลิการกระเฮนอยู่เลยสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่มันจะทําให้เกิดกิเลสนั้นแต่กิเลมันไม่มีไม่เกิดละกระทบกระแทกกระทุกกะท้งยังไม่เกิดอ น, นาคตมีขึ้นไปผ ม, ผมขออนุญาตเชื่อมต่อกับคําว่าบริบูรณ์กับสมบูรณ์อา้าวได้คือถ้ารู้จักเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทบ อ, อ่าเป็นเรื่องของการสัมผัส อ, อ่าสิ่งที่เราพบเจออะไร อ, อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องของการทําความรู้จัก กับสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายนอกอแต่นี้เมื่อนำมาปฏิบัติจนเกิดผลสมบริบูรณ์ในแต่ละระดับ อ, อันนี้จะเรียกว่าเป็นความรู้แจง้ง ใ, ในแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนอแต่ถ้าพอจบหมดสิน้นอันนี้จากบริบูรณ์เปลี่ยนเป็นสำบูรณ์เมื่อไรเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นความรู้จ ร, งจริงถูกตอ้องดัง น, นั้นคือในยะของความรู้จักรู้แจ้งรู้จรงิรจร ง, รจรงเนี่ยจึงมีน้าหนักมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันตามนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อครูที่อาธิบายนะครับนะนะครับต้องแล้วนะอาที่นี่มาต่อกายคตาสติอีกหน่อยหนึ่งอัตมาโยงใหญ่มาจนกระทั่งถึงขั้นมาเข้าสู่ปฐมฌานนะและก็ทุติยฌานตติยฌานทุกอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกายกายคตาสติ เช่นเราจะอ่านให้ฟังข้อส0มสาดูกระพิสุทธิ์ทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุสงัดจาักกามสงัดจากอากุศลธรรมนิจิตทั้งนั้นนะเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอยังกายนี่แหลให้คลุกเคล้าปริบูรณ์ทราบซ่าน ไม่ได้ทิ้งกายไม่ได้ทิ้งส่วนนอกไม่ได้สิ้งอะไรเลยยังสัมพันธ์อยู่ทุกอย่างมีตาหูจมูกลิ้นกายมีภาษาทรูปมีโคจรรูปอยู่ทั้งหมดเมื่อทําให้กิเลสก็คือสงัดจากกามปัตตมพยังกายจะสร้างค่ารังลดลงได้แล้วสงบสงัดลงไปแล้วจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเริ่มตนน้นมีปฐมฌานซึ่งมันก็ยังมีตัววิตกวิจารณ์อยู่เพราะ มันยังไม่เก่งมันยังเป็นเนคขมัสิตะโทมมนัตเวทนามันยังลาบากลำบนวิตกภาษาไทยเราแปลว่ากังวลมันยังกังวลยมันยังไม่โล่งมันยังไม่โปร่งมันยังไม่บอมันยังไม่สบายเลยแต่มันยังต้องภาคเพียรต่อไปอยู่มันยังไม่สมบูรณ์จึงเรียกว่าเนคขมัสิตะโทมมานัตเวทนาพร้อมกันนั้นมันก็มีปิติเป็นโสมนัสเนคขมัส นี่กรรมสิทธิสมมนัตเวทนามันดีมันยินดีมันเป็นเชิงทางสมมนัตเชิงทางสุขทางพอใจชอบใจมันมีทั้งสองอันก็ลดมันปิติรักษาไว้แต่โทมนัตไม่ต้องให้เหลือหรอกโทมนัตไม่ต้องให้เหลือหรอกนะเอาออกไปเลยแต่นิดนิมทา่านก็อธิบายแต่ว่าปิติและสุขเกิดแต่วเวทเวกเนี่ยให้คลุกเคล้าบริบูรณ ให้มันอยู่ก็ทั้งหมดเลยที่อาตมาเคยอธิบายแล้วในที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายในสูตรอื่นว่าเหมือนกับเทียบกับสงสนานมีน้ำแล้วเอาจุลศรีมาใส่แล้วลงไปแช่ให้ผงของหรือว่าเนื้อของจุลศรีนั้นแทรกเข้าไปทุกๆอย่างไม่ให้มีที่ไหนที่ปิติก็ตามสุขก็ตามจะไม่แทรกเข้าไปอยู่ไม่ว่าเอกเทศไรๆ ไม่ว่าจุดไหนตรงไหนให้แทะเขาอยู่เป็นพรณนาปิติซ่านแผ่อยู่ทั้งไปเบาบางเป็นจิตประโมทยังจิตตังอภิประโมทยังจิตตังเป็นทาให้จิตเบิกบานร่าเริงซอนอยู่เพราะฉะนั้นในรายละเอียดพระพุทธเจ้าตรัสสอนคําทุกคํำนี่ครอบไม่ขาดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจรายละเอียดก็ไปตีทิ้งว่าเอา้า มันไม่ต้องมีทั้งปิติไม่ต้องมีทั้งสุขอะไรอย่างไงท่านบอกไม่ให้มไม่มีที่ไหนมีแต่มีในลักษณะต้องวิธีทําให้เกิดภาวนาปิติยาให้มันเกิดอก อ, อ, อกกติกาหรืออุเพงคาปิตินะอุเพิปิติมันมีห้าหนึ่งขุตกาขุตตกาปิติ2คณิกาคันหนึงคณิกาปิติสองขุตกาปิติสามอกกติกาปิ ต, 3, ปติ4อุเพงกาปิติ5 พารณาปิติเพราะฉะนปิติทั้ง5นี้ไอ้ขุตกะกับขณนะน่ะอันนึงมัน ไ, มได้เป็นครั้ ง, ค ร, งคราวๆเป็นทิีๆต่อมาขณะมันก็คือเกิดตามเป็นครั้งเป็นขณะเป็นขณะอันนึงได้เป็นทิีๆอันนึงได้เป็นขณะขณะเสร็จแล้วมันก็จะสั่งสมลงเป็นอกกันติกาปิติสั่งสมตกผลึกถ้าคุณปล่อยให้มันตกผลึกกับตัวแน่แนๆเป็นก้อนมันแข็งแล้วมันก็ตกแตกยาก ไม่เอาโฎกติกาแปลว่าปิติออปายว่าหยั่งลงตั้งลงไม่เอาให้กระจายกระจายทําให้มันบางเบาลงไปมีที่ไรก็อย่าไปให้มันเป็นก้อนตกผลึกให้มันแผ่ไปบางเอาไปจะกระจายทิ้งบ้างกระชังมันให้จะมีแทรกไว้ในตัวเองให้มันจนกระทั่งในทุกสัดส่วนในอาการ32ของคุณมีอันนี้แทรกไว้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรจึงเรียกว่าพรารณาพิติ ถ้ามันเป็นก้อนแท่งจงกรตั้งอะไรนะปั๊บแล้วมันก็จะยิ่งมีบทบาทสูงมันมีอะไรเหมือนกับอย่างที่ยกตัวอย่างเป็นดีใจจะต้องได้แบบอารมณ์นี้จะต้องได้อย่างนี้อย่างนี้มันถึงจะดีใจยิ่งจัดขึ้นจัดขึ้นหนาขึ้นเดี๋ยวช็อกตายอยา่อธิบายไปแล้วเพราะงั้นโอเพรคาพิตินี่คือพิติมันแรงแล้วเป็นบทบาทที่ต้องอต้องกระโดดโตเต้นต้องร้องไห้ต้องตีปอกต้ช็อกหัวต้องสาดิสมาโซคิสขึ้นหนักหนักหนักขึ้นทุกทีเลย ท่านไม่ให้ทำอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทิ้งปิติทิ้งสุขทีเดียวนี่ละเอียดลึกซึ้งมากเลยเพราะเราบอกว่าดับวิตกวิจาร์ดับปิติดับสุขนี่พูดรบกวนพูดวัดวัดแต่จริงๆแล้ววิตกก็มีวิจาร์ก็มีปิติก็มีสุขก็มีแต่มันเป็นลหุตามันเป็นกายะละหุตาและมีประสิทธิภาพเป็น กายามุทุตาเป็นองค์ประชุมทังความคล่องเร็วไวจิตหัวอ่อนมุทุตาจตะมาแปลว่าจิตหัวอ่อนมันคล่องทั้งปัญญาเป็นไวพริบเร็วไวรู้เร็วเลยเซนซิเบิลมากนะเป็นทั้งตัวจิตเองเปลี่ยนแปลงได้ง่ายจะปรับไม่มีก็ได้ปรับให้ม่มีก็ได้เร็วรู้ทั้งเร็วจิตก็เปลี่ยนได้ไวเรียกว่ามุทุตานะอย่างนี้เป็นต้น อยู่ในรูปนะรูปข้อวิการรูป น, นเนี่ยระหุตามุตุตาแล้วก็กรรมัญญตาเมื่อมันเก่งอย่างนี้คล่งองแคล่วนี้มันจึงทางานได้เหมาะวรหมดเลยกรรมัญญตาเพราะมันมีความเก่งของจิตทางานได้นี่เป็นองค์ธรรมของอุเบคาหา ป, ปริสุทธาปรโรธาตามุตุกรรมัญญานะแต่ในรูปเนะี่ยมันขยายความไปรูป วิกาล ร, รูปมันมีลหุตามุทุตากรรมัญญาตาและ ก, วญญ ก, 2, ก็วิญญาตอีกสองไก่วิญญาตกัมวจีวิญญาตเป็น5อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นลักษณะธรรมเป็นสภาวธรรมหมดเลยในสภาวธรรมที่มันสมบูรณ์วิการรูปก็เป็ น, ปนอาการหรืองานงานของจิตนี่แหละการะในงานงานของลักษณะจิตที่เหลือใช้อยู่ที่พระอาหารหันต์อาศัยสะอาดหมดแล้วคุณก็ใช้ลหุตาเป็นหลักใช้ บุตุตาเป็นหลักใช้กรมมั ญ, ญาตาเป็นหลักแล้วก็ประมาณกายวิญญาตวจีวิญญาตที่จะทำงานอยู่กับสังคมโลกสุดยอดเลยเพราะงั้นคุณไม่รู้องค์ประชุมหรือองกรอบพวกนี้ที่คุณจะต้องรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็คือสิ่งที่คุณจัดสรรปรุงแต่งอภิสังขารพระปรุงแต่งให้จิตของเรานี่เป็นกายะหุตาให้จิตของเรา อยู่ในสภาพกายามุตุตาให้ได้และเราก็ทำงานด้วยกายกรรมมั ญ, ญาตาเสร็จแล้วมันก็จะไปเป็นกายวิญญาตเป็นวจีวิญญาตตั้งแต่เป็นข้างในมโนวิญญาตก่อนเป็นกายสังขารเป็นวจีสังขารอยู่ข้างในจิตสังขารในจิตนะกายสังขารในจิตวจีวิญญาตวจีสังขารอยู่ในจิตนะแล้วถึงออกมาเป็นกรรมเป็นวิญญาต ทาข้างนอกถ้านถึไปเรียกวิญญาตสองข้างนอกคือวิญญาตสองกายวิญญาตและวจีวิญญาตส่วนวิญญาตอีกสองอยู่ในองค์วิการรูปนั่นคือมโนคือจิตวิญญาตของมโนมโนวิญญาตเป็นกายวิญญาตวจีวิญญาตอยู่ข้างในที่เป็นวจีสังขารกายสังขารข้างในสับสนไหม กายสังขารข้างในในไม้ถึงอธิบายถึงนามมาทำทั้งกายสังขารทั้งหมดต้องรวมข้างนอกด้วยต้องรวมตาหูจมกูกลิ้นกายด้วยคือมันสัมพันธ์กันที่ไม่มีช่วงตอนที่ตัดขาดนี่แหละมันยากนะแต่ถ้าเมื่อว่ามันได้แล้วจิตมันได้แล้วอย่างพระอนาคามีเป็นต้นตาหูจมกูกลิ้นกายมันมีอยู่ข้างนอกนะ มีกายแสังขารปรุงแต่งอยู่กับรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ในกายแสังขารข้างในหรือจิตสังขารของท่านท่านทำอย่างละเอียดแล้วเป็นอภิสังขารจนไม่ต้องล้างกิเลสแล้วอปุญญาพิสังขารแล้วไม่ต้องชําระกิเลสแล้วชําระเสร็จสิ้นแล้วมีแต่จะอนเนญชาพิสังขารต่อไปมีได้ทําอีกก็เกิดความเจริญของปริสุทธาประโยชธาตุมุทุกรรมมัญญาปภัสราเพราะ อุเบกขานั้นเป็นสังขารที่แข็งแรงเป็นสังขารุเบกขาโดยเฉพาะคาว่าอุเบกขาเป็นสังขารที่แข็งแรงเนี่ยทำให้เราได้รู้อุเบกขาพุทธอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะเพราะปะกะติคนเราที่สอนกันมาผมผมขออนุ ญ, ญาตส่งเล่มนี้ถวายพ่อครูนนเข้าใจว่า ปัฉาคงจะส่งมาหรืออย่างไรนี่แหละมีคนช่วยอยู่เพื่อว่าพ่อครูจะได้ใช้เติมเต็มในส่วนนั้นเติมเต็มความบริบูรณ์ให้สมบูรณ์นะนะมันก็ดูไม่ทันเพราะผมไม่เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปประเด็นนี้ในขณะที่พ่อครูดูไปก่อนแล้วประเด็นคุณจะไม่ได้พูดเพราะว่ามันจมดเวลาอยู่แล้วแต่เมื่อกี้นี้เลยไปเจนาทีนะครับผมจําได้อยู่เลทไปปุ๊บทาให้ เลไปเจ็ดนาทีต้องโทษในปุ๊บพราคุมดังเทคนิคอยู่อะก็ <c oughs> บอกกับท่านทั้งหลาย น, นิมนต์เผื่อพ่อครูจะใช้เวลานี้ดูในส่วนนั้นสืบต่อไป เ, อเราได้ฟังพ่อครูนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสังเคราะห์สังขารคาว่าสังเคราะห์สังขารเนี่ยจริงๆก็คืองานที่เป็นงานสังเคราะห์สังขารในจิตวิญญาณภายใน ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ที่พรอครูพูดถึงเรื่องละหูตาละหูตามุตุตากรรมัญญตาอันนี้เป็นประเด็นที่เราควรจะต้องนํามานํามาปฏิบัติโดยความเข้าใจว่าละหุตาเนี่ยก็คือเป็นความแผ่วเบาแผ่วเบ า, เบามุทุตาเนี่ยเป็นความอ่ อ, อนโยนแผ่วเบาอ่อนโยนกรรมัญญตาเนี่ยพ่อครูเคยอาาธิบายว่ากรรมะ คือกรรมที่มันประกอบด้วยอัญญาเนี่ยประมาณนั้นน่ะกรรมอัญญาคืออัญญาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าปัญญาด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเป็นปัญญาเป็นปัญญาในเชิงโลกุตระอัญญาเนี่ยเช่นเราได้ฟังอัญญาสิวัโพกนทันโยเนี่ยโกนทัญญะรู้แล้วหนอความรู้แบบอัญญาเนี่ยเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นกรรมอัญญากรรมัญญตาอะไรก็แล้วแต่ ที่พ่อครูนำมาอธาิบายเมื่อสักครู่นี้คือกรรมการงานที่ประกอบด้วยปัญญาอันยิ่งใหญ่ภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังขารภายในที่พ่อครูนำมาเสนอล่าสุดเนี่ยเป็นสังขารที่จะประกอบด้วยระหุตามุตุตากรรมัญญาตานะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไปสู่ประเด็นสุดท้ายที่พ่อครูกล่าวค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ว่า อุเบกขาเนี่ยเป็นสังขารที่ยิ่งใหญ่อุเบกขาเนี่ยเป็นสังขารที่ยิ่งใหญ่หลายคนไปเข้าใจว่าอุเบกขาเนี่ยก็คือจิตเป็นกลางวางเฉยไม่รู้ไม่ชี้ดีนักรู้จักใช้เห็นอะไรแล้วทิ้งนิ่งเฉยเฉจะเป็นเครื่องเปลืองทุกข์สุขเสเบยใครไม่เคยลองดูจะรู้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อไปเข้าใจว่าอุเบกขาคือสังขารที่ยิ่งใหญ่เนี่ยบทกลอนที่ท่อ ง, องๆกันมาเนี่ยจึงเป็นอุเบกขากวาย ไม่ใช่เป็ น, ปนอุเบขาพุทธหรือที่พ่อครูเคยพูดว่าเป็นอุเบขาเดอประมาณนี้เป็นต้นไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่ทำให้เราเข้าใจความหมายของคำว่าอัตตาเพราะอัตตาเนี่ยวันนี้พ่อครูอธิบายว่าอัตตาคือมายาของชีวิตถ้าเราไม่ปฏิบัติจนรู้จักรู้จริงไม่ไม่ปฏิบัติจนรู้จักรู้จริง ร, ร, รู้แจ้งเนี่ย ไม่ปฏิบัติจนเดี๋ยวผมผมผมสับสนกันเนาะต้องไม่ไม่ปฏิบัติจนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเนีเ่ยรู้แจ้งมาที่สองใช่ไหมครับพ่อครูครับใช่รู้แจ้งมาที่สองรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเนี่ยไม่สะสมความบริบูรณ์เป็นลำดับลาดับจนถึงขั้นสัมบูรณ์ตามที่พ่อครูอธิบายมาในวันนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าใจความหมายคำว่าอัตตาเป็นมายาของชีวิตเนี่ยยากมากเลย เพราะว่ามนุษย์เราจํานวนมากไปเข้าใจว่าอัตราเนี่ยมันเป็นตัวตนเป็นเรื่องจริงไงนะทั้งที่จริงๆในพระไตรปิฎกก็กล่าวไ ว, ว้ว่าเป็นพยับแดดเป็นเกลียวคลื่นเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ดูเหมือนว่าจริงไงนะแต่ที่จริงแล้วมันไม่จริงฟังพราะครูอถ ธ, ธิบายเรื่องปิติห้าเมื่อสักครู่นี้แล้วในที่สุดเพราะครูก็บอกว่าจริงๆแล้วผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยหรือผู้ที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตัดปิติทิ้งนะปิติยังคงมีอยู่แต่มีแบบ แบบที่กล่าวเมื่อสักครู่นีแล้วหูตาเนี่ยแล้วหูตามุทุตาเนี่ยมีซะจนดูเหมือนว่าจะไม่มีแต่จริงๆก็คือมีจะมีอะขอขอผ้านิดหนึ่ง พ, พวกเราเกิดอโอทกภัยนะเกิดอโอทกภัยบนกระดาษนั่นะแหละนั่นะแหละโยมาแหละใครก็ตามนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่พ่อครูอาธิบายเนี่ยทำให้เราได้เข้าใจความควา ม, ความหมายคำ ว, ว่าจิตจิตเนี่ย อันเป็นกายกายอันเป็นจิตคือถ้าเราเข้าใจว่ากายเนี่ยเป็นเรื่องของกายเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่เข้าใจโดยแท้จริงว่ากายเป็นเรื่องของจิตอย่างผมขนแลบฟันหนังเนี่ยพเพราะครูบอกว่าไม่ใช่กายผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่ใช่กายเพราะว่าไม่มีจิตตนิยามอยู่ในนี้่เป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่สิ่งที่มาอยู่ใกล้ชิดสนิทกับกายถ้ามันไปเชื่อมโยงกับจิต เมื่อไรเนี่ยส่วนนั้นก็ถือว่าเป็นจิตไม่เป็นกายที่มีองค์ประชุมร่วมกันกันกบจิตอะไรทํานองนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคนเลบฟันหนังเนี่ยจึงยังมิใช่กายดังนี้เป็นต้นผิวหนังครับผิวนหนังที่เป็นผิวผิวข้างนอกครับครับมันจ ะ, จะค่อยสะสมหนาขึ้นมาถ้าหนาข้ามาแล้วก็จะรู้เลยว่าออมันไม่มีประสาทครับมันไม่รู้เฉืทิ้งได้ขัดทิ้งได้ แต่ถ้าเข้าไปติ ด, ตด ๆ, ๆๆแล้วยาชนน์หนังที่ไม่ใช่ผิวเนี่พ่อครูครับเมื่อกี้เพื่อนสมณะท่านขยันยอมส่งพัะตรปิดกเล่มนี้มาแล้วก็ชี้ไปดูข้อหนึ่ง เ, เกี่ยวกับเพราะที่พ่อครูอธิบายเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องสังวร น, นะครับดูครับพิสูจนทั้งหลายภิกษุในธรรมวีนายนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในรูปอันน่ารัก ย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายาคาตาสติไว้มีใจหาประมาณมิได้อยู่ย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันลามกโอ้ชัดเจนที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามาความเป็นจริงภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมไม่น้อมใจไปในธรรมารมอันน่ารักไม่ขัดเคืองไปในธรรมารมอันไม่น่ารักเป็นผู้เข้าไปตั้งกายาคตาสติไว้ มีใจหาประมาณมีได้อยู่และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุโสลธรรมลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงดูกระพิสูน์ทั้งหลายสังวรย่อมมีอย่างนี้แลโ่ละเอียดอชัดเจนทุกคำความครับผมจากพระไตรปิฎกเล่มที่ปดข้อเาสสครับปอครูครับ อย่างนี้แหละแม่อัตมาไม่ได้เป็นนักอ่านนี่ท่านจะมีอัตมาไม่เคยได้อ่านหรอกท่านอง์นั้นองค์นี้อ่านแล้วก็ยื่นไม่อัตมาด้วยวขอบคุณขอบคุณอยู่ทุกทีอ่ะท่านก็ยื่นมานะองค์นั้นยื่นมาองค์นี้ยื่นมาให้ขอบคุณอัตมาก็ได้สิ่งเหล่านั้นน่ะมาใช้นะมาใช้อัตมามีสมบัติอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วเนี่ยออท่านเนี่ยไม่ได้เป็นนักค้นแต่เป็นนักกว่าพีราทุกข์ยากจริงๆ อัตกาวัจรามันนะท่านเมื่อดับเหตุยังใช้อัตตาที่ไม่ลึกลับนั้นอาจทำงานต่อไปมีอัตตาที่ไม่ลึกลับแล้วรู้จิตคนผู้นี้ก็อะไรให้เราไม่ได้เลยอ้าวเหลือเวลาที่ไม่มีให้คุณสรุปครับจริงๆเมื่อสักครู่นี้ขณะที่พ่อครูอธิบายมาเนี่ยเราก็แวะสรุปชวนสนทนาประเด็นที่ พราะครูได้อธาาิบายมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็ดูจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้เพียงแต่ว่ามีคนเขาส่งประเด็นมาดูจะเป็นเด็กเน่ะส่งประเด็นคำถามมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเอางี้ก็แล้วกันพ่อท่านคะพ่อท่านรู้ไหมคะว่าอัญญานังคืออะไรหนูอยากรู้คะ่ะอัญญานังอัญญานังนี่มีคำว่านอนหนูใส่เข้าไปข้างตัวท้าย ถ้าอัญญานังนี่แปลว่าไม่รู้แปลว่าไม่รู้อัญญาณังแปลว่าไม่อัญญาแปลว่าไม่รู้ถ้าอัญญารู้รู้ยิ่งเป็นความรู้ชนิดพิเศษครับเป็นความรู้เป็นวิชาเป็นความรู้ขั้นโลกุตระสรุปคืออัญญานังแปลว่าไม่รู้ใช่ครับก็ถ้ามีนเนียนสะกดตัวไทยเข้าไปแปลว่าไม่รู้ไม่มีอัญญาอัญญาตัวนี้ สุดท้ายเด็กที่เข้ามานั่งฟังบอกพ่อครูครับถ้าเพื่อนเป็นคนขี้โมโหให้ทํายังไงดีครับเด็กถามน ะ, ะข้าคนเป็นขี้โมโหโมโหคำนี้เป็นภาษาไทยแล้วแปลว่าโทสะทีจริงเอามาจากโมหะโมหะในแปลว่ามันมั่วไม่รู้เรื่องมันโกรธก็ไม่รู้ตัวว่าโกรธก็เลยมาเรียกโทสะเนี่ยมันเกิดโทสะก็มาเรียกโมโหโมหะถ้ามันเกิด โกรธหรือเกิดโมโหเนี่ยบรรทัดไทยมันเรียกพวกนี้ลราเข้าใจว่าโมโหคือโทสะเกิดโกรธเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วจะให้ทำอย่างไรรู้ความ